นับตั้งแต่ตะอ้อนถูกส่งตัวจากบางขวางไปไว้ที่เกาะตรูเตาพรอยก็ดูเหมือนจะถอนตัวเองจากโลกภายนอกเข้ามาอยู่ภายในตัวเองแต่คนเดียวมากกว่าแต่ก่อนสำหรับความหวังต่างๆที่เคยมีพรอยออกจากเข็ดขยดเพราะรู้สึกว่าถ้าหวังสิ่งใดขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นตนก็จะต้องได้รับความทุกข์อันเกิดจากความพลาดหวัง ในขณะที่สภาพแห่งจิตใจของพลอยเป็นอยู่เช่นนี้คนที่ยังอยู่ในฐานะที่จะเข้าถึงตัวพลอยได้ก็มีอยู่คนเดียวคือตะออดตะออดมาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าพ่อเพิ่มเป็นคนไปรู้ข่าวมาก่อนว่าทางการจะส่งนักโทษคดีเดียวกับตะอ้อนไปไว้ทางปักใต้แล้วก็พอเพิ่มอีกนั่นเองที่เป็นคนไปสืบมาจนรู้ว่านักโทษพวกนี้จะถูกส่งไปไว้ที่เกาะตะรุเตา ขันถึงวันที่ตะอ้อนจะออกเดินทางพอเพิ่มก็มาตามตัวตะออสโดยกระทันหันให้ไปส่งพี่ชายโดยไม่ได้รู้ตัวร่วงหน้ามาก่อนเลยตะออสมีเงินติดกระเป๋าอยู่แปดสิบาทพอเพิ่มมีอยู่สาสิบกว่าบาททั้งสองคนต่างควักกระเป๋าให้ตะอ้อนในขณะที่เดินผ่านไปก่อนจะขึ้นรถจนสิ้นเรื่องที่นัดกันไว้ว่าจะไม่บอกพลอยนั้น ตาออดยอมรับว่าเป็นความคิดของพ่อเพิ่มและก็ของตนเองตาอ้อนมีได้รู้เห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่ตาออดก็ยืนยันว่าเท่าที่สืบมาได้ชีวิตของตาอ้อนที่เกาะอาจเป็นสุขยิ่งกว่าชีวิตในคุกบางขวางตาออดรับปากว่าต่อไปตนเองจะเป็นคนลงไปที่ปักใต้เพื่อเยี่ยมเยียนทุกสุขของพี่ชายและก็คอยส่งเสียของที่จาเป็นเป็นครั้งคราว นอกจากว่าพลอยจะกลับเข้ามาสู่ตัวเองมากกว่าแต่ก่อนแล้วตาออดเองก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากพอดูตาออดเปลี่ยนจากคนที่เคยรื่นเริงกลายเป็นคนขรึมจากคนที่มีอารมณ์ขันชอบพูดจาตลกขนองแล้วก็หัวเราะง่ายบัด น, นี้ตะออดกลับกลายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดจาอะไรนะักและถ้าหากว่าตะออด จะหัวเราะหรือ ย, ยิ้มเป็นครั้งคราวแต่ออดก็จะยิ้มหรือหัวเราะเพื่อประโยชน์ของพลอยมากกว่าของคนอื่นพลอยสังเกตอาการกริยาของตะออแล้วก็ให้นึกสงสัยจนวันหนึ่งคุณเชยเป็นคนมาพูดขึ้นว่าแม่พลอยแม่พลอยรู้ไหมว่าพอออหมู่นี้เขาเป็นอะไรไปเมื่อกี้ฉันเห็นเขานั่งเหม่อตาลอยอยู่ข้างล่าง ฉันจะขึ้นมาหาแม่พลอยผ่านเข้ามาใกล้ๆจนเกือบจะถูกตัวเขาจึงได้สะดุ้งมองเห็นแล้วก็ทักฉันขึ้นฉันก็สังเกตเห็นเหมือนกันแหละคุณเชยจะถามเขาหลายหนแล้วแต่ว่ายังหนักปากอยู่คุณเชยเห็นอีกคนก็เป็นอันว่าฉันไม่ได้หลงไปคนเดียวก็คงจะต้องลองถามดูนั่นน่ะสิพ่อออสเป็นคนช่างพูดช่างเล่นหมู่นี้ดูเงียบๆไป คงจะมีความในใจกระมังเอ๊ะหรือว่าจะไปหลงรักผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้นะพรอยสะดุดใจขึ้นทันทีจริงสิน่าคิดอย่างที่คุณเฉยว่าออสอาจจะไปติดผู้หญิงที่ไหนก็ได้พรอยรู้สึกแปลกใจที่ตนไม่เคยนึกถึงตาออสในด้านที่จะไปรักผู้หญิงหรือว่ามีเย่ามีเรือนเลยทั้งทงที่ตาออสก็มีอายุมากพอสมควรแล้ว แต่เมื่อนึกถึงด้านนี้พลอยก็รู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกหวงแหนของแม่ที่รักลูกเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะได้ตะออดไว้เป็นศิทธ์ผู้เดียวพลอยต้องพยายามข่มความรู้สึกที่รู้ดีว่าเป็นความเห็นกับตัวนั้นลงไปพร้อมกับรู้สึกละอายอยู่คลันันที่ปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นได้พลอยบอกกับตัวเองว่า ได้ปล่อยตนให้ผูกมัดอยู่กับตะอัดเกินไปเสียแล้วจนเกือบจะเรียกได้ว่ามีตะอัดเป็นที่พึ่งที่อุปการะอยู่แต่คนเดียวต้องการที่จะเก็บตะอัดเอาไว้ใกล้ๆตัวโดยไม่คํานึงถึงการข้างหน้าและความสุขในอนาคตของลูกความจริงถ้าตะอัดไปรักผู้หญิงที่ไหนก็ควรจะบอกให้พลอยรู้และพลอยก็ควรจะช่วยสนับสนุนทุกทางหรือว่าบางทีตะอัด จะมีความทุกข์อย่างอื่นมีความกลุ่มใจอย่างอื่นที่มากไปกว่าเรื่องผู้หญิงถ้าเป็นอย่างนั้นพลอยก็ไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้นอกจากจะถามตตออสตรงๆและแล้ววันหนึ่งเมื่อมีโอกาสพลอยก็ถามตออสขึ้นว่าออสหมูน่นี้แม่ดูออสเงียบๆเ ง, งาๆไม่เหมือนแต่ก่อน ออสเจ็บไข้เป็นอะไรไปหรือเปล่าลูกเปล่าลูกไม่ได้เจ็บไข้เป็นอะไรเลยยังแข็งแรงดีและถ้าอย่างนั้นออสเป็นอะไรไปแม่เห็นออสซึมซึมเหมือนกับมีทุกข์อะไรสักอย่าง หรือว่าออสไปรักผู้หญิงเข้าที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็บอกให้แม่รู้เถิดแม่จะได้ไปจัดการให้จะเป็นใครก็ตามแม่ไม่ว่าทั้งนั้นแต่ออสหัวเราะขึ้นมาอย่างขบขันเหมือนที่เคยหัวเราะมาแต่ก่อนบุโตคุณแม่ก็ถ้าลูกไปรักผู้หญิงที่ไหนจริงๆลูกจะปิดบังไว้ทำไมป่านนี้ไม่บอกให้คุณแม่รู้นะแล้วรึลูกเกิดมาก็เคยรักผู้หญิงคนเดียวมองหาใคร ก็ยังไม่เห็นเท่าผู้หญิงคนนั้นสักทีใครกันลูกพลอยถามอย่างพาซื้อแต่ออสหัวเราะก่อนจะตอบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเรียกกันว่าคุณหญิงพลอยกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าของลูกนี่แหละว่าแล้วตะออสก็เอาหน้าซบลงกับตักของพลอยแล้วก็พูดต่อไปว่าถึงแม้ว่าลูกจะไปรักใครที่ไหนจริงก็จะไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเขาได้ โตจนป่านนี้แล้วลูกก็ยังไม่พ้นอกแม่งานการก็ยังไม่มีจะทำฮ้าคิดคิดไปก็กลุ่มถ้าออดคิดหาการการทำเสียบ้างก็คงจะหายกลุ่มนะลูกแม่ก็เห็นว่ายังไม่สายเกินไปคนมีวิชาความรู้อย่างออดใครๆเขาก็ต้องการและถ้าจะหาการงานจริงๆก็งคงจะหาได้หานะ่ะ จะหาได้หรอกแม่แต่คนอย่างออสจะไปอยู่ทำงานกับใครได้สักกี่วันเดี๋ยวเข้าไปแล้วทาประจบประแจงไม่เป็นหรือไปพูดจาอะไรไม่ถูกขูคนเข้าเขาไล่ออกมาจะยิ่งซ้าร้ายไปกันใหญ่ออสก็ชอดตีตนไปก่อนค่้พี่น้องพวกพ้องของเราก็ยังมีถ้าออสอยากจะทำการงานให้เป็นหลักฐานทำไมไม่พูดจาปรึกษาหารือกันล่ะลูกแม่ก็ดีจะพูดเรื่องพี่น้องพวกพ้อง ถ้าออสไม่มีพี่น้องออสอับสบายใจกว่านี้มากออสจะมีความสุขที่สุดถ้าหากว่าคนในบ้านนี้มีแต่ออสอยู่กับแม่ด้วยกันเพียงสองคนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงออสจะอยู่ได้ไปจนตายโดยไม่มีความทุกข์ร้อนแล้วก็ไม่ต้องการอะไรอีกเลยแต่ที่ต้องปลุ้มใจอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เพราะพวกพ้องที่ต้องมามารุมมาตุ้มกันอยู่ในบ้านนี้หรอกหรือเรื่องที่ตออพูด ทำให้พลอยต้องสะดุ้งใจออสแม่ถามจริงๆเถอะมีใครทําอะไรให้ออสต้องน้อยเนื้อต่ําใจอย่างไรบ้างหรือเปล่าแต่ออสนิ่งอยู่นานที่จะมาทําอะไรตรงๆเนะ่ะไม่มีหรอกแม่เพราะเขารู้ว่าลูกเป็นคนรักคนโปรดของแม่ใครๆเขาก็ต้องเกรงใจแต่มันก็มีบางเวลาที่เขาพูดจากันหรือมองดูลูกด้วยสายตาบางอย่าง ทำให้ลูกเข้าใจได้เองว่าเขาพากันเห็นว่าลูกเป็นคนหลักลอยเป็นคนไม่เอาถานการงานไม่ทําดีแต่เกาะแม่กินไปวันวันหนึ่งจนแก่ไม่มีปัญญาจะทํามาหาเลี้ยงตัวได้เขามองลูกอย่างนี้ทุกวันจนลูกแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วออสจะคิดไปเองกระมังลูกพี่น้องเขาก็ยังรักออสอยู่ทุกคนแม่ไม่เคยได้ยินใครเขาว่าอะไรเลยใครก็จะมาว่าให้คุณแม่ได้ยิน ต่อหน้าคุณแม่เขาก็ว่า ด, ดีทั้งนั้นแต่รับหลังคุณแม่และต่อหน้าออสเขาก็เปลี่ยนไปอีกอย่างพอรับหลังออสเขาก็พูดกันได้เต็มที่ทีเดียวพูดกันจนเข้าหูออสขี้เกียจจะฟังซะอีกออสหมายถึงใครกันแน่ก็คุณคุณทั้งหลายในบ้านนี้นั่นแหละคุณอัน้นคุณประภัยคุณเสวีตลอดจนคุณคุณทั้งหลายแหละที่เป็นเพื่อนสูงของท่านไปมาหาสู่กันอยู่ทุกวัน อ อ, ออดนี่เห็นจะไม่มีวันถูกกับคุณเสวีได้ออดควรจะคิดบ้างว่าถึงจะอย่างไรเขาก็ได้เข้ามาเป็นเขยบ้านนี้เราควรจะมีอัธยาศัยไมตรีเผื่อแผ่ต่อเขาก่อนนะลูกคุณแม่ก็ช่างไม่เห็นใจออดบ้างเลยถึงออดจะพยายามญาติดีกับเขาเพียงใดก็คงจะไม่สําเร็จเพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าออดมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกเรื่องที่ออดคอยหนุนท่านชายน้อย แล้วก็เป็นคนคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเขามาแต่แรกในบ้านนี้คอยฟังแล้วก็รู้สึกหมดปัญญาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกนะคะก็เลยบอกแต่ออสว่าถ้าหากว่าออสเชื่อว่ามีคนเข้าดูถูกแล้วก็คอยนินทาว่าร้ายออสก็ต้องคิดแก้เอาที่ตัวเองถ้าเขาว่าเราไม่มีหลักฐานเราก็ต้องแก้ด้วยการทําตัวเป็นหลักฐานให้เขาเห็น เขาก็จะว่าเราไม่ได้งัานราชการก็มีถมไปทําไมไม่คิดทําราชการราชการออสจะทําเข้าไปได้ยังไงราชการสมัยนี้ในเมื่อออสไม่มีพวกพ้องที่ไหนสักคนมีแต่คนก็มองว่าออสเป็นน้องพี่อ้นเป็นคนที่น่าสงสัยไม่น่าไว้ใจพี่ชายเป็นกระบฏติดคุกก็ไม่ยอมปล่อยให้อดตายยังคอยเยี่ยมเยียนส่งเสียอย่างนี้เขาถือว่าเป็นความผิดแม่ไม่รู้หรอกหรอ ทุนรอนเราก็พอมีนะออสถ้าออสไม่อยากทําราชการออสจะค้าขายก็ได้แม่ไม่ห้ามแม่จะหาทุนรอนให้เองคราวนี้ตาออดหัวเราอคนอย่างลูกจะไปค้าขายได้ยังไงคุณแม่เกิดมาก็ถูกเลี้ยงมาให้เป็นข้าราชการตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นใครต่อใครก็สอนให้คิดอ่านทําราชการจะได้เป็นเจ้าคนนายคนลูกจะออกไปค้าขายก็ไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายที่ไหนถูกจะไปเริ่มเรียนเดี๋ยวนี้ ก็คงจะแก่เกินไปซะแล้วฮา้าพูดกับออสแม่ต้องเหนื่อยใจทุกทีถ้าจะเถียงกันแม่ก็แพ้ออสวันหนึ่งคำ่ำแล้วถ้าอย่างนั้นแม่จะมาเถียงกับออสทำไมปล่อยให้ออสแก้ปัญหาเอาเองจะไม่ดีกว่าหรอแต่ถึงแม้ว่าพลอยจะรู้ว่าคำบอกเล่าของตาออสอาจเป็นไปด้วยอคติเพราะมีความคิดเห็นบางอย่างไม่ตรงกับตาอ้านไม่ถูกกับคุณเสวี แล้วก็ไม่พอใจในการที่ประภัยแต่งงานกับคุณเสวีก็ตามพรอยก็ยังอดไม่ได้ที่จะสังเกตท่าทีวาจาของตาอัาน้นคุณเสวี ie, และประภัยที่มีต่อตาออดทั้งที่รู้อยู่ว่าถึงหากจะเป็นจริงตนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอะไรได้นอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าพรอยเป็นคนกลางเป็นผู้ใหญ่ถ้าเข้าข้างคนไหนหรือฝ่ายใด กลับจะยิ่งทำให้คนนั้นหรือว่าฝ่ายนั้นต้องเสียเปรียบความจริงพลอยก็ให้นึกสงสัยอยู่ครั้นว่าตาออดเก็บเอาเรื่องที่ตนยังไม่ได้ทำการงานเป็นหลักฐานมาวิตกกลวลจนกลายเป็นปมทําให้คิดไปว่าคนอื่นดูถูกเบียดย้มนินทาว่าร้ายจนอาจจะเกินความเป็นจริงไปบ้างแต่พอพลอยได้มาสังเกตพฤติการต่างๆด้วยความสนใจมากกว่าแต่ก่อนพลอยก็กลับเห็นว่าที่ตาออดบ่นไว้ด้วยความน้อยใจนั้น ควรมีมูลบ้างมิใช่ว่าตาอ๋ อ, อจะเสกสรรขึ้นทั้งเรื่องคำพูดของประไพบางครั้งที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ทําให้พลอยต้องคิดเช่นวันหนึง่งขณะที่คุยกันเรื่องคุณอุ่นพลอยก็พูดขึ้นว่าความจริงคุณป้าอุ่นเธอรักประไพมากก่อนเธอจะตายเธอยังอุตส่าห์บอกแม่ว่าเป็นห่วงแต่ประไพคนเดียว เธอห่วงายด้วยเรื่องอะไรหรือคุณแม่ก็นั่นน่ะสิแม่ก็บอกว่าประไพมีเย่ามีเรือนเป็นหลักฐานแล้วไม่เห็นจะน่าห่วงแล้วก็ยังมีแม่อยู่อีกทั้งคนแล้วเธอว่ายังไรคุณแม่เธอก็เลยเห็นจริงแล้วก็บอกว่าที่นึกห่วงนั่นน่ะเป็นเพราะว่าเธอรักประไพมากแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองประไพหัวเราะกิกพระพอใจที่ได้เห็นว่ามีคนรักตนมากแม้คนที่รักนั้นจะตายไปแล้ว และประไพก็พูดต่อเป็นเชิงประรบโดยไม่มีความหมายอะไรนักว่าเคราะดีที่คุณป้าอุ่นไม่ได้ไปรักพี่ออสเข้าทำไมล่ะถ้าป้าอุ่นรักพี่ออสแล้วเห็นจะตายตาไม่หลับแน่เพราะว่าภัยเป็นผู้หญิงเสอีกไัยยังทําตัวให้เป็นหลักฐานได้แต่พี่ออสเป็นผู้ชายอกสามสอบยังไม่เห็นได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักครั้งเดียวประไพอย่าประมาทออสให้มากนักนะถึงยังไงเขาก็เป็นพี่ และคนอย่างออสแม่รู้ดีว่าถ้าเขาลงปักใจทําอะไรแล้วต้องทําจนสําเร็จแล้วเมื่อไรปักลงไปสักทีล่ะคะไยเห็นมานานแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้สักแค่ไหนทําไมพี่ออสไม่เหมือนพี่อั้นก็ไม่รู้เขาพี่น้องกันจะผิดอะไรกันนักหนาความจริงถ้าจะพูดถึงกําลังใจว่าจะทําอะไรทําได้ดีมีไหวพริบแล้วในบางเรื่อง แม่เห็นว่าออสเขาดีกว่าซะอีกเวลาเข้าพูเข้าคนแล้วออสเขดีกว่ามากทีเดียวเพราะว่าช่างพูดช่างเจรจาแล้วก็จําคนได้เก่งส่วนอั้นก็เป็นคนเฉยเฉยไม่ค่อยทักทายกับใครคุณแม่ก็มัวแต่เข้าข้างพี่ออสจีนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละพี่ออส ถ, ถึงได้เหลืองถือว่าแม่รักจะทําอะไรก็ได้ตามใจอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมีการงานเป็นหลักแหล่งก็ได้คุณเสวีเขายังบ่นกับภัยเลยว่าพี่ออสเนี่ยแปลก ถ้าเป็นเขาอยู่เฉยๆไม่มีการงานทําเขากลุ้มใจตายเขาว่าคนอย่างพี่ออสไม่น่านับถือจะพูดจะจาอะไรก็เป็นเล่นไปหมดจะจับเอาความให้หนักแน่นเชื่อถือก็ไม่มีเขาว่าติดอยู่ที่เป็นพี่เมียไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะไม่คบด้วยเยบภายต่อไปนี้แม่ขอให้แกพูดจากับผัวแกเสียให้รู้เรื่องว่าเรื่องราวที่จะพูดกับเมียนั้นขอให้เป็นเรื่องของตัวสองคนผัวเมียอย่าไปก้าวไายถึงคนอื่น ประเดี๋ยวก็พูดกันไปพูดกันมาคนละคำสองคำเกิดทะเลาะวิวาทขึ้นในบ้านเดียวกันฉันคิดเกียด ต, ต้องรกหูร้อนใจไปด้วยโธ่คุณแม่ก็คุณเสวีเขาไม่มีอะไรหรอกเขาพูดด้วยเจตนาดีจริงๆอยากให้พี่ออสได้ดีเท่า น, นั้นเองภัย ร, รู้ใจเขาดีกว่าใครทั้งหมดเมื่อรู้ใจผัวก็ควรจะรู้ใจแม่แล้วก็รู้ใจพี่ที่คลานตามออกมาด้วยแม่ไม่ชอบให้ลูกเต้าแตกกร้าวกัน แต่ตาออดบางทีก็เป็นคนเจ้าโมโหโทโสบทจดีก็ดีไปแต่ถ้าใครพูดไม่ถูกขูก็เอะอะปึงปังไปได้มากๆประภัยต้องคอยระวังแล้วก็เตือนคุณเสวีให้ระวังปากระวังคอเขาซะบ้างเชื่อแม่เถอะถึงจะเจตนานดีอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องโตโตด้วยกันแล้วแม่เองถ้าไม่จําเป็นจริงๆยังไม่อยากจะว่ากล่าวใครเพราะถือเหตุว่าโตเป็นผู้ใหญ่ได้กันทุกคนแล้วนี่แหละ ประไพหลบตาพรอยก่อนจะบอกว่าไพก็บอกเข้าไปแล้วเหมือนกันแต่เห็นเขาหวังดีต่อพี่ออภัยก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังพลอยถอนใจใหญ่เมื่อประไพลุกกลับไปที่เรือนเป็นอันว่ารับหลังตาออสนั้นมีคนอื่นเช่นคุณเสวีคนหนึ่งคืออย่าง น, น้อยๆเนี่ยก็มีคนหนึ่งหลักที่พูดตำหนิตีเตียนตาออสบางที ถ้อยคำเหล่านี้อาจมากระทบถึงหูตาออดเข้าจึงทำให้เจ็บช้าน้าใจถึงกับหน้าไม่ตาเกรียมอย่างที่พลอยได้เห็นส่วนตาอั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเอ่ยถึงเรื่องตาออดขึ้นกับพลอยเองในวันหนึ่งตอนบ่ายวันนั้นตาอั้นมานั่งคุยด้วยแล้วก็บอกว่าคุณแน่เรื่องออดคุณแน่จะว่าอย่างไร ตาออดไปทำอะไรเขาอีกละ่ะอันไม่ใช่เพราะตาออดไปทำอะไรหรอกคุณแม่ปัญหาอยู่ที่ว่าตาออดไม่ทำอะไรเลยนอนกินอยู่เฉยๆจนหน้ารำคาญแทนออดก็เป็นน้องของอันแท้ๆนะลูกอันเห็นดีอย่างไรทำไมไม่พูดกันเองตามประษา พ, พี่น้องคุณแม่ก็รู้ดีว่าอันพูดกับเขาไม่ได้เขาไม่ฟัง พออันจะพูดจริงๆเขาก็ชวนเป็นเล่นไปเสียหมดบางทีก็พูดยั่วโมโหจนอันไม่อยากจะพูดด้วยมีคุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่จะพูดกับเขาได้แม่ถามจริงๆเถอะอันจะให้แม่ทําอย่างไรกับออสคุณแม่ก็ควรจะพูดบอกให้เขาหาการงานทําจะได้เป็นหลักเป็นฐานแม่ก็เคยพูดกับเขาแล้วเหมือนกันแล้วก็พูดมาหลายหนแล้วด้วย แต่เขาก็ยกเหตุติดขัดต่างๆจนแม่ไม่รู้จะเถียงกับเขาได้อย่างไรแต่มาคิดไปอีกทีฟ้าออสก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครนักหนาฟ้าออสอยู่กับบ้านก็ดีไปอย่างสำหรับแม่เพราะว่าแม่ก็ได้อาศัยใช้สอยไหวหวานเขาแม่เห็นว่ายังจะพอเลี้ยงลูกไว้กับบ้านไม่ต้องทำงานหากินเอาเองได้สักคนหนึ่ง แม่ก็เลยนิ่งซับและตาออสก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินทองหมดเปลืองอะไรนักหนาปล่อยอธิบายให้ตาอั้นฟังอย่างยืดยาวทั้งที่รู้ว่าเหตุผลของตนนั้นคุณแม่ก็ดีแต่รักลูกอยากให้ลูกเป็นสุขสบายแต่คุณแม่ทําไมไม่คิดถึงความดีของลูกในเวลาข้างหน้าบ้างอย่างออสนั้นถ้าปล่อยให้อยู่เฉยๆไม่ทําการทํางานวิชาความรู้ที่ได้เสียเงินเสียเวลาไปร่ำเรียนมา ก็จะเรื้อรังลงไปทุกวันนานเข้าก็จะเป็นคนหลักลอยใช้การอะไรไม่ได้พรอยใจหายเมื่อได้ยินคำพูดของตาอัน้นพราะน้ำเสียงที่พูดก็ดีความเห็นและเหตุผลที่แสดงออกมาก็ดีเหมือนกับที่คุณเปรมเคยพูดกับพรอยเมื่อก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไม่มีผิดและขณะที่นั่งฟังตาอั้นพูดอยู่นั้นเอง แต่ออสก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่รู้ตัวแต่อั้นหยุดพูดลงทันทีที่เห็นต่ออเดินเข้ามาแต่ต่อออาจจะจับคําพูดในตอนท้ายได้ว่ากําลังพูดอยู่ด้วยเรื่องของตนถึงพูดอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรก็พูดไปเถิดพี่อันอ้นออสไม่ว่าหรอกพูดกันเสียต่อหน้าดีกว่าจะไปพูดลับหลัง พี่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกออสพี่เป็นห่วงออสเห็นไม่ทําการงานกลัววิชาจะเรื้อรังเสียหมดเท่านั้นเองวิชาของออสถ้ามันเรื้อรังได้มันก็คงจะเรื้อรังไปเสียนานแล้วพี่อัน้นเพราะถึงว่าจะทําการงานได้ก็คงจะไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาอยู่นั่นเองแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นเหตุหนึ่งที่ออสไม่ทํางานพูดกันดีๆเถิดออสอย่าเล่นสมนวนวัวหานให้มากนักเลย แม่ฟังไม่เข้าใจพี่อั้นเขาเพียงแต่ บ, บน่นอยากจะให้ออสได้ทำการงานเป็นหลักฐานเท่านั้นเองเขาเจตนาดีต่อออสปรอกไม่ได้ว่าอะไรออสก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนกันคุณแม่กาลังอธิบายให้พี่อั้นเขาฟังเรื่องวิชาความรู้ว่ามันเรื้อรังได้หรือไม่พูดกันเป็นกิจจลักษณะเสธีก็ดีเหมือนกันพี่ก็เห็นว่าอออยู่เฉยๆมานานแล้วใครเขาไม่รู้จักออ เขาจะหาว่าขี้เกียจออคิดหาการงานทําให้เป็นหลักแหล่งเสถียรจะไม่ดีกว่าเหรอก็ดีเหมือนกันแต่ออตอบด้วยเสียงเรียบเรียบไม่มีสำนวนประชดประชันหรือพูดเล่นจนพลอยรู้สึกแปลกใจปัญหาขนาดนี้อยู่ที่ว่าจะเริ่มทำงานที่ไหนดีถ้าออตกลงทำงานแล้วก็จะเป็นปัญหาอะไรพี่ก็จะช่วยหาช่องทางให้เองแต่อันพูดอย่างดีใจ อันก็รู้แล้วไม่ใช่หรือว่าสมัยนี้ถ้าจะเข้าทําการงานก็ต้องมีพวกพ้องสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละออสแต่ออสจะไปนึกวิตกเลยถึงจะต้องมีพวกพ้องจริงพวกพ้องของเราก็มีถมเถไปพอจะฝากออสให้เข้าอยู่ในตําแหน่งที่สมควรได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขานอกจากตัวพี่เองแล้วก็ยังมีเสวีอีกคนหนึ่งเขาคงยินดีช่วยเหลือเต็มที่เพราะว่าเขาก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน เสวีตะออสถามขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ทำให้พลอยไม่สบายใจนักก็เสวีเขาเข้ามาเป็นญาติสนิทกับเราอยู่ในบ้านมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเต็มที่ออสจะสงสัยเลยแต่อันพูดอย่างพาซื่อนะคะในขณะที่ตะออดบอกว่าออก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยแล้วก็เพราะไม่มีความสงสัยอะไรนั่นหละออดถึงได้ไม่สบายใจนัด อ๋อเชื่อว่าถ้าอ๋ออยากเข้าทำงานพี่อั้นก็คงจะช่วยและคุณเสวีก็คงจะช่วยแต่พี่อั้นลองคิดดูก็แล้วกันว่าอ๋อจะเข้าไปตีหน้ายังไงถูกคนในกรมกองเขาก็จะต้องพูดกันทั่วไปว่าคนคนนี้เข้ามาทำราชการได้เพราะเป็นน้องชายของพี่อัน้นเพราะคุณเสวีช่วยแต่คนอื่นเขาจะพูดกันยังไงก็ช่างเถอะที่อ๋อกลัวที่สุดก็คือเสียงพูดที่จะเกิดขึ้นในบ้านนี้ทีหลัง ทั้งคุณเสวี ee, และก็เมียเขาก็จะพูดได้เป็นเสียงเดียวกันว่าที่ออสมีการงานเป็นหลักแหลง่งก็เพราะคุณเสวีช่วยเพราะคุณเสวีเขาปั้นมาออถึงได้เป็นตัวถ้าเป็นลำพังที่อั้นได้ช่วยคนเดียวออสก็ไม่ว่าอะไรแต่สำหรับคุณเสวีนั้นถึงเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาก็จะอ้างเอาได้เสมอและคนอื่นๆก็จะพากันเชื่อและในที่สุด ออสก็จะมีเจ้าพระเดชนะวพระคุณเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ฐานะของออที่เคยอยู่อย่างเจ้าของบ้านก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนอาศัยบารมีท่านอยู่แล้วออสจะไปทนไหวเหรอแต่อั้นนั่งฟังตอนาออสพัฒนาความในใจอย่างสงบเมื่อตาออพูดจบตาอั้นก็พูดขึ้นว่าที่ออสพูดมานั้นก็ถูกพี่ก็เห็นใจแต่ปัญหามันก็คงยังมีอยู่นั่นเองว่า เมื่อไรออสจะเริ่มทาการทำงานเป็นหลักเป็นฐานสัทีเอางี้ก็แล้วกันให้คุณแม่เป็นคนตัดสินคุณแม่เห็นอย่างไรพรอยชะนักแล้วก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแม่ก็เห็นอย่างที่พี่อ้นเขาพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะลูกในข้อที่ว่าออสควรจะหาการงานทำให้เป็นหลักเสียทีแต่เมื่ออสพูดมาตอนหลังแม่ก็เห็นใจ พลอยพูดแล้วก็ชัเลืองมองไปทางตาอัน้นส่วนตาอั้นก็ยิ้มพยักหน้าน้อยๆเป็นสัญญาณให้รู้ว่าพลอยพูดถูกแล้วแต่ออสนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถอนใจใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงออสมองหาช่องทางที่จะทำงานเอาไว้แล้วเหมือนกันจริงๆเมื่อสองสาวันที่แล้วออสไปหาเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันที่กระทรวงธรรมการไปลองปรึกษาเขาดู ก็เห็นพอจะไปกับเขาได้ออสก็เลยยื่นไปสมัครแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้เข้าทำงานเพียงได้เป็นวิสามันโทในตอนแรกนี่ก็เห็นจะไม่ถึงกับขายหน้าวงตระกูลไม่ใช่หรือพี่อัน้นแต่อั้นหัวเราะชอบใจก่อนจะตอบน้องชายว่าดีที่สุดแล้วออสพี่เองก็เริ่มแค่นั้นเหมือนกันทำไมออสไม่บอกเราเสียตั้งแต่ตอนแรกเพียงเท่านี้พี่ก็พอใจไม่ต้องพูดอะไรกันมาก ตาอั้นลุกขึ้นเดินตรงไปที่ตาออสนะคะจับมือตาออสเขยา่าแล้วก็บอกว่าออสเราดีใจด้วยจริงๆดีใจมากแล้วตาอั้นก็เดินยิ้มออกจากห้องไปอย่างพอใจตาออสมานั่งคุกเข่าลงข้างๆพลอยแล้วก็ถามเบาๆว่าทุนหัวของลูกพอใจหรือยังพลอยยกมือลูบหัวตาออสอย่างปลานีแล้วก็บอกว่า พอใจแล้วออสพอใจที่สุดต่อไปนี้ออสลูกของแม่จะได้มีการงานทำไม่มีใครดูถูกให้ต้องเสียใจได้แม่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจนะคนเราถ้าอยากจะดูถูกกันก็หาเรื่องว่าไปได้ต่างๆต้องดูกันก่อนแต่คราวนี้อย่างน้อยออสก็ยังไม่ต้องเป็นลูกหนี้พระเดชเพราะคุณใครนอกจากทุนหัวของลูกคนเดียว แม่จะสงสัยอะไรอีกอย่างก็เมื่อออสไปเที่ยวหาการงานเอาเองจนได้มาแล้วทำไมเมื่อกี้ออสต้องพูดกับพี่อั้นเสียยืดยาวแม่ไม่เข้าใจเลยออสหัวเราะก่อนจะบอกว่าออสอยากพูดให้เขารู้ตัวกันเสียบ้างเท่านั้นว่าออสไม่ต้องการให้มีใครมาเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณของออสในบ้านนี้ทำไมออสสงสัยว่าพี่อั้นจะมาลำเลิกพระเดชพระคุณอย่างนั้นหรือ เปล่าหรอกแม่สําหรับพี่อั้นไม่มีอะไรนักหนาบานเวลาพี่อั้นก็ซื้อเสียจนเซอร์ปล่อยให้คนอื่นเขาจูงจมูกเล่นได้อย่างสบายเพราะเหตุนี้แหละออสถึงได้พูดให้พี่อั้นได้ยินเพราะคงจะไปพูดให้เข้าหูคนอื่นที่ออสอยากจะให้รู้เอาไว้พรอยรู้ดีทีเดียวว่าตาอสหมายถึงคุณเสวีและถ้าประภัยไม่ได้มาพูดเรื่องคุณเสวีวิจารณาตาอสเอาไว้ให้ได้ยินก่อนแล้วพรอยก็อาจจะตักเตือนตาอดไม่ให้คิดมาก จนอาจเป็นอริบาดหมางกับญาติแต่เมื่อพลอยได้ยินคําพูดของคุณเสวีที่เกี่ยวกับตาออดจากบากประภัยเองพลอยก็ได้แต่พูดว่าก็แล้วไปแม่สงสัยอยากรู้นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ออดได้การงานทําก็ดีแล้วแม่สบายใจด้วยมากตาออดซบหน้าลงกับตักพลอยสบายใจจริงๆหรือแม่หรือพูดไปอย่างนั้นเอง ก็สบายใจจริงๆสิออสแม่ที่ไหนก็ต้องสบายใจเมื่อลูกได้ดีทำไมต้องถามก็ไม่รู้เพราะถ้าออสไปทำงานเสียทุกวันใครจะอยู่เป็นเพื่อนแม่ใครจะคอยมาชวนพูดชวนคุยให้หัวเราะมีทุกข์ขึ้นมาใครจะเป็นคนมาปลอบเจ็บไข้ใครจะวิ่งหาหมอมีธุระจะได้ใช้ใครวิ่งรับใช้ต่อไป ออดก็จะเป็นข้าราชการใหญ่โตเหมือนที่อัน้นหรือว่าเหมือนคุณเสวีไม่ใช่ออดลูกแม่คนเก่ามีการงานทําแล้วก็ต้องเป็นห่วงราชการงานเมืองแม่จะได้ใครเอาไว้ใช้พลอยใจหายเมื่อได้ยินตะออพูดเพราะว่าต่ออมาสกิดความรู้สึกแท้จริงที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแต่เมื่อเห็นต่ออพูดทีเล่นทีจริงพ่อยก็แข็งใจตอไปว่า แม่ก็ยังใช้แก่นั่นแหละตะออสถึงจะไปทำราชการก็ใช่ว่าจะไปไกลอะไรนักหนาเช้าเย็นก็จะยังอยู่ที่บ้านแม่ก็จะต้องใช้แก่ได้อยู่นั่นเองตะออสซบหน้าอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะปรารถขึ้นเบาๆว่าคนเรานี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คงจะดีต่อจากนั้นไม่นาน แตออดก็เริ่มไปทำราชการทุกวันเหมือนกับคนอื่นๆวันแรกที่ตออสจะไปกระทรวงแตออดก็โผล่หน้าเข้ามายิ้มกับพลอยในห้องแล้วก็ร้องบอกว่าแม่คอยดูให้ดีนะวันนี้บอกคนทางบ้านด้วยว่าทําไม่จำเป็นอย่าซักผ้าดีกว่าเดี๋ยวจะตากผ้าไม่แห้งทำไมหรือออสเอาก็วันนี้ออจะเริ่มไปทำงานฝนถ้าจะตกใหญ่ก็มัง ตาอัดร้องตอบมาจากข้างนอกแล้วก็วิ่งลงมาได้หายไปเรื่องตะอัดเข้าทำงานทําให้พ่อเพิ่มตื่นเต้นไม่น้อยวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาที่บ้านหลังจากตะอัดเข้าทำงานแล้วสิบกว่าวันเห็นตะอัดนั่งกินของว่างตอนว่ายที่พลอยหาไว้ให้เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็มีพลอยนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อเพิ่มก็ตรงเข้ามานั่งด้วยแล้วก็เอ่ยปากถามขึ้นทันทีว่า ว่าไงพ่อออสเดี๋ยวนี้เขาทำราชการแล้วเมื่อไหร่จะเป็นใหญ่เป็นโตกับเขาบ้างพุโทโธคุณลุงก็ออสเพิ่งเข้าทำได้สิบกว่าวันเท่านั้นเองจะเอาใหญ่โตรวดเร็วอะไรถึงเพียงนั้นเปล่าลุงถามไปอย่างนั้นเองอยากจะรู้ว่าพ่อออสเป็นยังไงบ้างเขาให้ทำอะไรที่กระซวงและไหนๆจะถามทั้งทีก็ถือโอกาสถามให้เป็นสิริมงคล ตาอ๋อหันมายิ้มกับพลอยคุณแม่เห็นหรือยังพี่ป้าอาลุงของอ๋อทุกคนช่างใจเร็วอยากจะให้อ๋อเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นอ๋อก็ไม่รู้จะทําอย่างไรให้ทันใจท่านได้แล้วตะอ๋อก็พูดกับพ่อเพิ่มต่อไปว่าผมก็ยังไม่รู้ดีว่าราชการนี่เขทํายังไงกันแน่ผมไปทํางานสิบวันแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวเช้าขึ้นก็ไปนั่งที่โต๊ะ รอให้งานมาถึงตัวแต่ก็ไม่เห็นมันจะมาสักทีเงาเข้าก็ต้องหาหนังสือพิมพ์มาอ่านนีเท่าไหร่ก็อ่านไปจนหมดถึงแจ้งความก็ยังอ่านพอเที่ยงได้เวลาก็ออกไปกินข้าวกลางวันตกบ่ายโมงก็กลับมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปอีกจนบ่ายสี่โมงแล้วก็กลับบ้านสิบกว่าวันแล้วผมไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยเป็นความสัตย์จริงถ้าทําอย่างนี้เรื่อยๆไปเห็นจะหาดีได้ยากผอออดอย่าพึ่งประมาท ลุงทำราชการมาก่อนได้เห็นมามากคนที่เขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วหลายคนเหมือนกันขอให้ใจเย็นๆไว้เท่านั้นคนที่ชอบทำนูน่นทำนี่ซะอีกมักจะผิดพลาดบ่อยๆเมื่อผิดแล้วก็เลยไม่ได้ดีส่วนคนที่นั่งเฉยๆไม่มีผิดถึงปีก็ได้ึืนเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเพราะตัวหน่อยเดียวเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วฤ พะนั่งซดน้ำชาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่กับโต๊ะนั่นแหละอย่าไปประมาทต่ออดหัวเราะชอบใจในคำพูดของลุงพรอยอดร่นทนไม่ไหวนะคะก็เลยบอกว่าคุณหลวงนี่ช่างเอาอะไรมาสอนลูกหลานเกิดมาจนแก่ป่านนี้ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินมีอย่างเหรอขี้เกียจได้ดีแต่ออดก็ถูกใจหัวเราะร่วนไปเลยทีเดียวนะระวังให้ดีเถอะขืนเชื่อกันไปอีกสักหน่อยงามหน้าละ่ะ อ้าวจริงๆนะแม่พลอยอย่าทํามาดูฉันดีไปดูแต่เจ้าคุณของแม่พลอยสิเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ในราชการท่านก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานได้ทุกอย่างชีปาถะวันหนึ่งก็ต้องหางานทำให้มันยุ่งไปหมดจนฉันเวียนหัวเสร็จแล้วก็ต้องออกจากงานมานั่งกอดเข่าอยู่ที่บ้านพาเอาฉันตองกลุ่มใจไปด้วยเกือบแย่คุณหลวงไม่ต้องมาพูดหรอกนะ คุณเปรมของฉันน่ะได้เป็นพระน้ำพระยาก็เพราะความภาคเพียรพยายามไม่ใช่เพราะความขี้เกียจกอนนั่นนะสิไอฉันน่ะมันคนขี้เกียจก็เลยดักดานอยู่แค่คุณหลวงแต่เดี๋ยวนี้เจ้าคุณของแม่พลอยไปอยู่ที่ไหนเล่าฉันเสอีกอยังมานั่งยั่วโมโหแม่พลอยอยู่ได้ที่นี่คำพูดของพ่อเพิ่มทามให้พลอยคิดถึงคุณเปรมขึ้นมาครันครันพลอยปรารถขึ้นกับพ่อเพิ่มว่า จริงๆนะคุณหลวงคุณหลวงถามขึ้นมาตรงกับใจของฉันพอดีปล่อยพูดพลางทอดสายตาออกไปข้างหน้าแล้วก็พูดช้าๆเหมือนกับรำพึงกับตัวเองว่าฉันนึกอยู่บ่อยๆว่าคุณเปรมของฉันอยู่ที่ไหนยิ่งเดี๋ยวนี้อายุมากเข้าลูกเต้าก็โตกระจัดกระจายกันไปฉันก็ยิ่งนึกถึงคุณเปรมบ่อยเข้า บางเวลาก็เห็นว่าคุณเปรมล้มหายตายจากไปนานนักหนาไม่มีอะไรเหลือที่จะยึดเหนี่ยวหรือว่าติดต่อถึงกันได้เลยเหมือนกับของเก่าผ้าเก่าที่ผุพังแล้วก็ยุ่ยไปเป็นฝุ่นเป็นละอองไม่มีอะไรเหลือเป็นรูปเป็นร่างที่จะจําได้หรือว่าจับต้องได้แต่บางเวลา แปลแท้ๆ ท, ทีเดียวบางเวลาฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณเพรมยังอยู่เป็นคนเราดีๆนี่เองรู้สึกเหมือนกับคุณเปรมมานั่งอยู่ใกล้ๆจะพูดจาด้วยก็ได้จะทำอะไรก็คอยตักเตือนไม่ว่าจะไปไหนก็เหมือนกับคุณเพรมเดินตามไปติดๆคอยบอกให้ฉันทำโน่นทานี่อย่างที่ถูกใจเธอ หลวงช่วยบอกฉันทีเถิดว่าคุณเปรมอยู่ที่ไหน เรมนั่งนิ่งมองดูหน้าน้องสาวอย่างเมตตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าจะให้ฉันตอบฉันก็คงจะต้องเดาและถ้าจะให้ฉันเดาฉันก็เดาว่าเจ้าคุณคงจะอยู่ใกล้ๆตัวแม่พลอยนั่นเองฉันเคยสังเกตที่ตัวฉันเหมือนกันนะแม่พลอยคนบางคนเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอตายลงก็ละลายหายสูญไปไม่มีอะไรเหลือ แต่คนที่ฉันรักมากๆากอย่างแม่ของเราถึงจะตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ดูเหมือนจะยังอยู่เวลามีเรื่องมีราวอะไรฉันเป็นต้องนึกได้เสมอว่าแม่จะต้องคิดต้องว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆเรื่องไหนแม่จะชอบเรื่องไหนแม่จะไม่ชอบใครบ้างที่แม่จะรักและใครบ้างที่แม่จะเกลียดบางทีเดินไปตามถนนหนทางเห็นของกินก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่ชอบกิน เหมือนกับมีแม่มายืนบอกข้างๆตัวต้องรีบซื้อไปถวายพระกรวดน้ำไปให้ดูๆไปก็เหมือนกับว่าแม่ยังอยู่และยังอยู่ในตัวหรือว่าใกล้ตัวฉันนี่เองบางทีนึกจะทำอะไรผิดๆแต่ก็ต้องยับยั้งไว้เพราะกลัวแม่ด่าเจ้าคุณของแม่พลอยก็เห็นจะเป็นแบบเดียวกันกระมังท่านก็คงอยู่ใกล้ๆแม่พลอยนั่นละพอเพิ่มหยุดหายใจ แล้วก็หันไปพูดกับตออดว่าออดเอ้ยนางเล็กๆที่ลุงอุตสาหทำกงเต๊กส่งไปให้เจ้าคุณพ่อถ้าจะไม่ได้ความซะแล้วเพราะท่านยังมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเมียท่านนี่เองลุงเองก็ยังไม่รู้จักตายเสียทีป่านนี้มันจะแก่เสียหมดแล้วก็ไม่รู้พอเพิ่มก็ยังคงมีอารมณ์ขันอยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะทีนี้การที่ตาออดไปทํางานเนี่ยก็ทําให้พลอยรู้สึก เงียบเหงาใจอย่างที่ตาออดเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าตาออดไปทํางานสักคนหนึ่งแล้วใครจะอยู่กับพลอยตอนกลงางวันความจริงในช่วงหลังๆพลอยก็มีตาออดเหลือเป็นเพื่อนคนเดียวนะคะเพราะว่าตาอั้นและประไพนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะได้พบปะเจอๆกันนานๆครั้งไม่ได้สนิทสนมมาคอยพูดคอยคุยหรือมาให้เห็นหน้าอยู่เป็นนิดแบบตาออด ตาอันนั้นเป็นคนนิ่งๆเวลาที่อยู่บ้านก็ชอบอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็มีกิจธุระออกนอกบ้านบ่อยส่วนประไพนั้นเมื่อก่อนแต่งงานก็ได้เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันแต่พอแต่งงานแล้วก็มักจะอยู่ที่เรือนของตนแล้วก็มักจะอยู่ไม่ติดบ้านในเวลาที่คุณเสวีไปทำงานคือประไพนี่ก็เป็นคนที่เที่ยวเก่งนะกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน ดังนั้นพลอยจึงไม่ได้พบปะบ่อยนะทีนี้พอตาออดจาต้องออกจากบ้านไปทํางานเสียอีกคนหนึ่งพลอยก็เลยต้องอยู่คนเดียวทุกวันจนกว่าตาออดจะกลับถึงบ้านในตอนพายในระยะเดือนสองเดือนแรกที่ออดเข้าทําราชการนั้นดูๆตาออดก็มีความสนใจแล้วก็มีกําลังใจอยู่มากพยายามที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะ ขุดค้นตํหรับตําราเก่าๆเอามาอ่านแล้วก็มักจะนั่งดูหนังสืออยู่จนดึกๆบางวันกลับมาจากงานก็นั่งคุยกับพลอยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่ตาอ๊อได้สังเกตมาตลอดจนระเบียบแบบแผนวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่เห็นว่าดีอย่างไหนควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไหนควรจะรักษาเอาไว้ความจริงพลอยก็พยายามสนใจ เพราะว่าพลอยรู้ตัวว่าตนเป็นคนคนเดียวในบ้านที่ตะออดจะพูดด้วยได้แต่ตะออดก็สนใจและก็ใส่ใจต่อหน้าที่การงานแค่ระยะสองสามเดือนแรกที่ได้เข้าทางานหากพอพ้นจากระยะนั้นแล้วนะคะตะออดก็ดูเหนื่อยไปทำให้พลอยสงสัยว่าบางทีตะออดจะมีความสนใจในตอนแรกๆ ด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะเห็นเป็นของใหม่และถ้าหากว่าหายตื่นเต้นดีใจหมดความสนใจในหน้าที่การงานลงไปจริงๆพรอยก็ให้รู้สึกกังวลในเสียงคอรหานินทาที่จะตามมาในข้อที่ว่าตาอ๊อฟเป็นคนเกียจคร้านรักแต่ความสุขสบายไม่สนใจหรือขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานตามควรความหนักใจในเรื่องนี้ทําให้พรอยสังเกตอาการกิริยาของตาอ๊อฟอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งหลังจากที่พลอยได้ตกลงใจแน่นอนว่าตาออดเบื่อหน่ายต่อการงานจริงๆตามความเห็นของตนพลอยก็ถามตาออดขึ้นในตอนบ่ายวันหนึ่งว่าออดหมูน่นิการงานของลูกทากระวงเป็นยังไงบ้างก็มีเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงทาไมหรือแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกออดแม่ก็ถามดูอย่างนั้นเองแต่ก่อนแม่เคยเห็นออดมีเรื่องเกี่ยวกับงานมาคุยให้แม่ฟังเสมอ แต่เดี๋ยวนี้ดูเงียบไปแม่ก็เลยสงสัยออสก็ไม่มีเรื่องจะคุยและจะคุยไปก็เท่านั้นเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เท่ากับเรานั่งเพอไปคนเดียวไม่มีใครเขาฟังลูกก็เลยเบื่อไม่อยากสนใจอะไรให้มากนะักอย่าหาว่าแม่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยนะออแม่เองก็ไม่เคยทำราชการงานเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวตื้นลึกหนาบางอะไรหรอก แต่แม่เคยเห็นคุณพ่อของออสเธอทำราชการมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเธอสนใจเก็บเอามาตรึกตรองคิดอ่านว่าจะทำให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่งานการของเธอจริงได้เจริญและตัวเธอเองก็ได้ดิบได้ดีมาอย่างที่รู้กันอยู่คุณแม่อย่าเอาออสไปเปรียบกับท่านดีกว่าเพราะถ้าเอาออสไปเปรียบกับเจ้าคุณพ่อออสก็แพ้ท่านทุกที ไม่มีวันสู้ได้อีกอย่างสมัยเจ้าคุณพ่อแล้วก็สมัยนี้แตกต่างกันไกลคนที่คุณพ่อทํางานด้วยก็ห่างไกลกันลิบลับแต่แม่ว่าถึงสมัยไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราขยันหมั่นเพียรจริงทําอะไรก็คงจะสําเร็จส่วนเรื่องคนนั่นก็อีกแม่ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงสมัยนี้ถึงคนจะเปลี่ยนไปบ้าง ก็แค่ภายนอกในใจนั้นก็ยังเหมือนกันอยู่นั่นเองใช่ว่าจะเปลี่ยนไปนักหนานะลูกแต่ออทนิ่งคิดอยู่นิ่งๆครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณแม่คงนึกว่าลูกขี้เกียจเหมือนกับที่คนอื่นๆ น, นึกความจริงจะว่าอย่างนั้นก็ได้ลูกขี้เกียจประจบประแจงเจ้าขุนมูลนายขี้เกียจทางานเล็กๆใน น, น้อยที่ไร้าสาระประโยชน์ขี้เกียจนั่งคิดนอนคิด ว่าจะทำอย่างไรให้งานดีขึ้นแต่แล้วก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครสนับสนุนเพราะเขาไม่อยากเห็นเราข้ามหน้าข้ามตาเกินเข้าไปสมัยคุณพ่อนั้นเขาถือเอาการงานเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาถือเอาตัวบุคคลเป็นใหญ่ใครที่มีพวกพร้อมมีอำนาจวาสนาจะพูดอะไรออกไปถึงจะผิดหรือถูกก็มีคนฟังแต่ว่าคนแต่ก่อนเขาจะชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ดี แต่คนเดี๋ยวนี้เขาชอบปัดแข้งปัดขาให้ล้มขมำหัวปักไปตามๆกันเมื่อลูกเข้าไปทํางานใหม่ๆลูกก็มีเจตนาดีที่จะทํางานทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นเสียจแล้วว่าทําไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาไม่ทําเขาก็ไม่อยากให้เราทำเพราะถ้าเกิดเราไปทําเข้าเกิดผลขึ้นมาก็จะทําให้เขาดูเป็นคนไร้ความสามารถไป แต่คุณแม่อย่าไปพูดกับใครตามที่ลูกพูดมาให้ฟังเพราะว่าทุกคนเขาจะหาว่าลูกแก้ตัวเพราะลูกเป็นคนขี้เกียจลูกก็ยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนขี้เกียจใครจะว่าอะไรก็ตามทีลูกนี่อายุมากเข้าก็เหมือนลุงเพิ่มมากขึ้นทุกวันเริ่มจะเห็นของเล็กๆน้อยๆเป็นของสาคัญส่วนของที่คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตลูกกลับเห็นไม่สาคัญไปหมดพูดแล้วตะออก็ถอนใจใหญ่ เดินไปโผลหน้าต่างดูดินฟ้าอากาศอยู่นิ่งๆและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็มีได้พูดจากับตาอ๊อเรื่องการงานอีกเพราะว่าเมื่อพูดออกไปแล้วแน่ใจว่าคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถปลอบประโลมให้ตอ๊อฟมีกำลังใจขึ้นมาได้อย่างไรขณะนั้นพลอยได้แต่สังเกตดูกิริยาอาการของตอด๊ด้วยความเป็นห่วงวันหนึ่งพอเพิ่มมาที่บ้านพลอยก็เลยปรึกษาว่า คุณหลวงคุณหลวงสังเกตบ้างหรือเปล่าว่าหมูนิตรอสดูเนื่อยไปไม่เหมือนกับเมื่อเขาทำงานตอนแรกงั้นหรือฉันก็ไม่เด้สังเกตหรอกแม่พร้อยเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่เขาก็เคยบ่นกับฉันเหมือนกันว่าเจ้าขุนมูลนายไม่เป็นใจจะทำอะไรก็ติดๆขัดๆเขาก็เลยเบื่อเบื่อไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเขาก็บอกฉันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่รู้จะทายังไงถูก คุณหลวงนึกบ้างหรือเปล่าว่าตออดแกอาจจะขี้เกียจเฉยๆเพอเพิ่มเลิกคิ้วมองพลอยก่อนจะตอบว่าฉันไม่เคยนึกเลยนะเพราะฉันรู้ดีว่าผอออดไม่ใช่คนขี้เกียจถ้าจะมีเสียก็เพราะขยันเกินคนอื่นไปนั่นแหละเข้าไปทํางานกับคนหมู่มากพบคนขี้เกียจเข้าก็ไม่พอใจและคนที่ขี้เกียจเขาก็คงไม่ชอบเพราะกลัวว่า พ่อออสอาจจะไปได้ดีเกินหน้าเขาสักวันหนึ่งแม่พลอยอย่าเป็นห่วงไปเลยคนอย่างพ่อออสน่ะไม่เป็นอะไรหรอกแต่ฉันคิดเอาเองจากหางเสียงที่เขาพูดว่าคงอยู่ในราชการได้ไม่อานเพราะว่าเรื่องมันคงไม่ถูกกับนิสัยของเขาฉันว่าเขาคงจะออกเร็วๆนี้แหละถ้าหากเขาออกมาจริงๆแม่พลอยนิ่งๆเสียก่อนแล้วกันอย่าไปพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวแกจะเสียใจต่อไป เขาก็คงจะหางานหาการทําได้ถูกใจเป็นหลักฐานไปเองดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มจักแตะออสีกับพลอยนะคะปรากฏว่าความเห็นของพ่อเพิ่มเป็นจริงค่ะแล้วก็เป็นจริงภายในเวลาไม่นานนักวันหนึ่งตาอส ก, กลับจากกระทรวงในตอนบ่ายแล้วก็บอกกับพลอยว่าลาออกจากงานเสียแล้ว คุณแม่ลูกลาออกจากงานแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ไ ป, ไปอีกเลิกกันทีพลอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มที่ได้ตักเตือนไว้ก่อนเพราะเมื่อตาออดบอกข่าวนี้พลอยก็มีได้แสดงกิริยาแปลกประหลาดใจให้ตาออดเห็นเลยพลอยนั่งก้มหน้าหยิบดอกไม้ขึ้นปักพุ่มบูชาพระซึ่งเป็นกิจวัตรในตอนเย็นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบตาออดโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองว่า ถ้าหากการงานที่ทำไม่ถูกใจออกเสียก็ดีแล้วล่ะออสแม่ก็ไม่อยากให้ลูกฝืนใจทำอะไรที่ไม่ชอบนี่มีใครมาบอกคุณแม่หรือเปล่าว่าลูกลาออกจากงานเปล่าทำไมเหรอลูกนึกว่าอย่างน้อยคุณแม่ก็คงต้องแปลกใจบ้างว่าอยู่ๆลูกก็ออกจากงานมาเฉยๆโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็เพิ่งเข้าทำงานได้ไม่เท่าไหร่ความจริงลูกนึกไว้ว่า ต้องถูกคุณแม่ดูด้วยซ้ําแม่จะไปดูออสเรื่องอะไรธรรมดาคนเราจะทํางานก็ต้องให้สบายอกสบายใจถึงจะทําได้ดีเมื่ออสไม่ชอบแม่ก็ไม่ว่าแม่แปลกใจอยู่นิดเดียวที่ออสไม่ได้บอกแม่ก่อนว่าจะออกเท่านั้นเพราะปกติออสจะทําอะไรออสเคยบอกแม่เสมอแต่อสก็ามาคุกเข่าข้างๆตัวพลอยแล้วก็บอกว่า ยกโทษที่ลูกเถิดคุณแม่ลูกควรจะบอกคุณแม่ก่อนเหมือนกันแต่นึกในใจว่าถึงจะบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณแม่ก็คงจะต้องตักเตือนไม่ให้ออกด้วยความหวังดีถ้าคุณแม่ได้เตือนอย่างนั้นแล้วหากวันหลังลูกทนไม่ไหวไปลาออกเข้าจริงก็จะกลายเป็นว่าแม่เตือนแล้วยังไม่เชื่อลูกจะเลยไม่สบายใจไปจนตายแล้วความจริงเมื่อเช้าลูกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะออก แต่พอไปนั่งที่กระรวงได้ครึ่งวันก็รู้สึกว่าเหลืออดเหลือทนเพราะไม่มีอะไรจะทำให้คุ้มเงินเดือนที่หลวงจ่ายให้เลยลูกอายผีสารเทวดาอายตัวเองสุดที่จะทนทานเลยหยิบกระดาษมาเขียนใบลาแล้วก็ยื่นเข้าไปไว้ก่อนกลับบ้านตั้งแต่ทำงานมาใบลาฉบับนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นหนังสือราชการฉบับที่สามหรือฉบับที่สี่ที่ลูกได้เขียนคุณแม่คิดเอาเองก็แล้วกัน ก็คือแสดงว่าแทบจะไม่มีงานการอะไรให้ตาออสทำเลยนะคะและก่อนที่พลอยจะตอบตาออสว่าอะไรตาอั้นก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็แซวตาออสว่าออสกําลังออซอคุณแม่อยู่ทีเดียวถ้าจะขออะไรกระมังตาออสกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็บอกว่าพี่อัน้นออสลาออกจากงานแล้วนะอา้าวแล้วกันทําไมล่ะออส อยู่ไปก็เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรทําพูดโธ่โออสทำไมเป็นคนอย่างนี้คนอื่นเขาทางานกันมาได้เป็นกายเป็นกองทําไมเขาอดทนอยู่ได้ออสเข้าไปประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ออกมาจะปรึกษาหารือกันก่อนก็ไม่มีจะว่าก็ว่าออกมาเถอะว่าออสขี้เกียจออสไม่ว่าอะไรหรอกยอมรับแล้วว่าเป็นคนขี้เกียจแต่อันสะบัดหน้าอย่างเคืองแล้วก็รําคาญนะคะ ทำให้พลอยต้องรีบพูดแทนตออดว่าไม่มีอะไรหรอกอ้นออดเขาปรึกษาแม่ไว้ก่อนเหมือนกันแม่ก็เห็นว่าออกเสียก็ดีเพราะงานที่ทำไม่ถูกกับนิสัยอยู่ไปก็กลุ้มใจเปล่าๆสู้ออกมาแล้วก็หางานที่ถูกใจทำดีกว่าเพราะยังไม่ช้าเกินไปตาออดเหลียวมายิ้มกับพลอยเหมือนกับจะขอบใจที่ช่วยแก้ต่างให้ แต่ตาอันกลับพูดกับพลอยอย่างรำคาญว่าคุณแม่ก็ดีแต่ตามใจตะออสจนเกือบจะเสียคนอยู่รอ ม, มารอแล้วทำงานก็ต้องมีความอดทนเป็นขั้นแรกอะไรไม่พอใจนิดหน่อยก็ลาออกจะใช้ได้ที่ไหนที่ถูกควรจะอยู่ไปแล้วก็พยายามศึกษาหาความรู้ไปนานเข้าก็จะดีไปเองอ้าวพี่อันไม่ได้บอกเสียแต่แรกนี่ว่าจะให้ไปเข้าโรงเรียนนึกว่าอยากให้ออเข้าไปทางาน เห็นไม่มีงานทำออสก็เลยลาออกแต่อันถอนหายใจใหญ่อย่างรำคาญสุดขีดก็สุดแล้วแต่ใจเถอะนะออสเราก็โตโต้ได้กันแล้วถึงเราจะพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ออสเห็นเป็นเล่นไปสมุมดว่าแล้วแต่อันก็เดินหันหลังกลับบนอะไรอยู่ในคอออกจากห้องไปพอแต่อันลับตัวไปแล้วแต่ออสก็กลับเข้ามาคุกเข่าอยู่ที่เก่าข้างๆตัวพลอย ทุนหัวของลูกเมื่อกี้ออกไปรับแทนลูกทำไมให้พี่อั้นเขาว่าได้ว่าแม่ตามใจลูกจนเสียคนช่างเขาจะอออสเขาจะว่าอะไรก็ได้แม่ไม่ถือแต่ถ้าแม่ไม่ออกรับไว้ว่าออสบอกแม่ไว้ก่อนแล้วและแม่ก็เห็นด้วยบางทีป่านนี้อั้นและออสก็ยังจะเถียงกันไม่จบแม่ขี้เกียจฟัง ตาอ๊อดเอาหน้าซบกับตักพลอยแล้วก็บอกว่าความจริงพี่อั้นเขาก็พูดของเขาถูกลูกเลยขี้เกียจเถียงเพราะว่าลูกก็เกือบจะเสียคนอยู่จริงๆเรื่องไม่ยอมออกจากอกแม่และแม่ก็ตามใจลูกจริงๆเสียด้วยแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีพลอยยกมือลูกัวตะอ๊อดด้วยความปราณีแม่เพียงด้ว่าอ๊อดลูกแม่จะเสียคนถึงอย่างไร ก็คงจะไม่เสียไปได้ไม่ว่าแม่จะตามใจหรือเปล่าแต่แม่ก็รู้สึกว่าออสควรจะรีบหาการงานอื่นทำเสียอย่ารอไว้ช้าเพราะถ้าแม่ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแม่ตายไปแล้วออสจะต้องลำบากลูกเคยนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนึกถึงที่ไรก็ไม่สบายใจเลยเรื่องอะไรออสเรื่องเวลาที่ออสไม่มีแม่อีกต่อไป ออดจะทำยังไงการตายเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องตายแม่จะไปอยู่คำฟ้าก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นแม่จึงอยากเห็นออดเป็นหลักเป็นฐานเสียก่อนแม่จะได้ตายตาหลับแต่ออดนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าออดก็รู้ดีว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแต่ออดก็ยังทาใจไม่ถูกอยู่นั่นเองว่าถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรไป แล้วออดจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรเพราะเหตุนี้แหละออดถึงได้อยากอยู่ใกล้แม่ให้มากที่สุดแล้วบางเวลาก็นึกภาวนาในใจให้ออดเป็นคนตายก่อนอย่าให้อยู่ถึงเวลาที่แม่จะต้องตายแต่ออดทำไมถึงพูดจาเลวไหลมีอย่างที่ไหนยังหนุ่มยังแน่นคิดจะตายก่อนแม่ไม่เอาละ่ะพูดกันเป็นงานเป็นการเสียทีว่าออดจะทาอะไรต่อไป แต่ในขณะที่พูดนั้นเองพรอยก็รู้สึกใจหายรู้สึกใจหายแล้วก็เศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะในคําพูดของตาอ๊อฟคือจริงๆแล้วตาอ๊อฟเนี่ยก็พูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดกับความเป็นจริงนะคะกับการที่ลูกเนี่ยจะตายก่อนแม่โอกาสนี่มันน้อยมากเลยแต่ทาไมก็ไม่รู้พรอยรู้สึก ใจหายแล้วก็เศร้าๆตะอดหัวเราะก่อนจะบอกว่าคุณแม่หมู่นี้ดูออกจะขมักขม้นการงานเป็นพี่อั้นขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะลูกคิดอยู่เหมือนกันว่าจะหางานอื่นทำให้ถูกใจขอเวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วลูกจะบอกให้รู้ระหว่างนี้อาจถูกคนอื่นก็ว่าขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอีกมากมาย คุณแม่ก็อย่าไปเที่ยวแก้ตัวแทนให้เขาว่าได้อีกก็แล้วกันปล่อยให้เขาว่าลูกไปเถอะดีเหมือนกันถ้าลูกได้ยินแล้วจะได้ขยันขึ้นบ้างแล้วตาออดก็ชวนพลอยคุยด้วยเรื่องอื่นอีกสิบกว่าวันต่อมาตาออดก็มาบอกพลอยว่าตนได้ไปชวนเพ่อเพิ่มไว้ให้ลงไปเที่ยวปักใต้ด้วยกันวัตถุประสงค์สําคัญนั้น ก็เพื่อจะฟังข่าวคราวตาอ้อนซึ่งหายเงียบไปอยู่ที่เกาะและก็เพื่อจะดูลู่ทางทำมาหากินต่อไปพรอยออกปากอนุญาตให้ตาอ้อนไปทันทีเพราะตนเองก็อยากรู้ข่าวตาอ้อนเป็นอย่างยิ่งและเมื่อรู้ว่าตาอ้อนและพ่อเพิ่มจะออกเดินทางในเวลาสีถึงหาวันพรอยก็เริ่มจัดของประเภทของกินและยู่ยาเข้าหีบห่อเพื่อจะฝากไปกับตาอ้อ เือจะมีหนทางส่งไปให้ถึงตา อ, อ้นที่เกาะได้บ้าง พอเพิ่มมาหาพลอยที่บ้านนะคะก่อนที่จะออกเดินทางไปปักใต้พลอยก็เลยพูดขึ้นเป็นเชิงสัพยอกว่าคุณหลวงจะพาหลานไปปักใต้ก็ขอให้ระวังตัวให้ดีๆอย่าพาลูกฉันไปสัมมาเลเทเมาฉันโกรธตายทีเดียวนะแหม่พลอยนี่ เห็นฉันเป็นคุณชิดไปได้เออจริงๆนะคุณหลวงคุณหลวงได้ข่าวคุณชิดบ้างหรือเปล่าหายสาบสูญไปทีเดียวเมื่อตอนที่คุณพี่ตายก็ไม่เห็นมาเกี่ยวข้องฉันได้ยินจากเมียเขาที่ครองบางหลวงเล่าว่าเธอไปอยู่แถวบ้านโป่งแล้วก็เงียบไปจะล้มหายตายจากอย่างไรก็ไม่รู้ได้เออแม่พลอย รู้เรื่องพวกที่เกาะหนีไปได้บ้างหรือเปล่าและเมื่อพลอยบอกว่าไม่รู้พอเพิ่มก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะถึงเรื่องนักโทษการเมืองคณะหนึ่งที่หนีไปจากเกาะตะรูเตาทีแรกไอ้ฉันก็ดีใจนึ ก, กว่าพออ้นเนี่ยเขาจะหนีไปด้วยแต่เกาะเปล่าดีแล้วละคุณหลวงฉันก็ไม่อยากให้ตา อ, อนน้นหนีถ้าหนีรอดก็ดีไปแต่ดีไม่ดีเขาจับได้ก็จะเป็นอันตรายเสียเปล่า ก็ไม่รู้สิแม่พลอยยังชั้นแก่ๆนี่แหละถ้าใครลองมาจับชั้นไปขังคุกตารางชั้นจะแหกคุกให้คลื้ลนทีเดียวไม่เชื่อก็คอยดูไปเถอะใครจับเมื่อไรเป็นได้เห็นดีกันชั้นน่ากลุ่มใจคุณหลวงเหลือเกินชอบพูดจาเหมือนกับว่าไปมีอะไรเอาไว้ที่เขาจะมาจับกลุมได้ว่าแต่ว่าไปคราวนี้เนี่ยอย่าพาลูกฉั้นไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองก็แล้วกันถูกปล่อยเกาะไปคนหนึ่ง ฉันก็เป็นทุกข์จะตายอยู่แล้วอย่าให้มีเรื่องเสียคนอีกคนนึงเลยที่ไหนได้พ่อออสเสียอีกเขากลับจะเป็นคนคอยดูแลไม่ให้ฉันมีเรื่องฉันค้นึกว่าอย่างนั้นเหมือนกันฉันถึงได้ปล่อยให้ไปไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมหรอกจากนั้นต่ออสและพ่อเพิ่มก็ออกเดินทางไปทางปากใต้นะคะแล้วก็หายไปเกือบเดือนโดยไม่ได้ส่งข่าวคราวมาให้พลอยรู้เรื่องเลย พลอยเองก็รู้สึกดีใจมากกว่าเป็นห่วงกับการที่ตะอ๊ดได้ออกหัวเมืองแล้วก็ไปเที่ยวไกลๆบ้างนะคะหวังว่าเมื่อกลับมาแล้วบางทีตะอ๊ดจะได้สบายใจขึ้นบ้างไม่ต้องมานั่งกรุ้มใจเหมือนที่เคยเป็นอยู่แต่และวันหนึ่งตะอ๊ดก็กลับมาหอบข้าวของใส่ฉลอมมาฝากพลอยผรุงพรังตะอ๊อดดูผอมเกรงแล้วก็ค่อนข้างดำหน้าตาท่าทางดูแข็งแรงขึ้นกว่าเก่า อต่ออเอาของวางแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ออกมานั่งคุยกับพลอยออสได้ข่าวพี่อ้นบ้างไหมลูกพลอยถามขึ้นเป็นสิ่งแรกก็เพราะเรื่องข่าวพี่อ้นนี่แหละคุณแม่ออสถึงได้เสียเวลาอยู่นานเพราะว่าต้องค่อยๆติดต่อกับคนที่เขาไปมาที่เกาะนั้นได้ออดรู้จักกับเขา แล้วก็เลยฝากของไปให้พี่อ้นกว่าจะได้ข่าวกลับมาอีกทีก็กินเวลาหลายวันแล้วอ้นเป็นอย่างไรบ้างเขาฝากหนังสือมาให้คุณแม่คุณแม่อ่านเอาเองก็แล้ว ก, กันพลอยรับหนังสือมาจากตาอด้ด้วยความดีใจจนมือไม้สัน่นรีเปิดซองออกอ่านด้วยความรู้สึกที่คิดถึงตาอ้นเพียงใจจะขาดหนังสือนั้นเขียนบนกระดาษเก่าๆความว่า กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพสูงสุดของลูกลูกเหมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้รับของที่คุณแม่ส่งมาให้นอกจากลูกจะดีใจที่ได้ของกินและก็ยารักษาไข้ที่มีค่ามากกว่าสิ่งใดๆในเกาะนี้แล้วของที่คุณแม่ส่งมายังเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมตัวลูกกับโลกภายนอกทําให้ลูกรู้ตัวว่าโลกภายนอกไกลออกไปจากเกาะที่มีทะเลเป็นกําแพง มีฉลามเป็นยามเฝ้าคอยตรวจตลานี้นั้นยังมีใครคนหนึ่งที่ยังรักลูกเมตตาลูกอยู่เป็นนิดแล้วก็มีพระเดชพระคุณแก่ลูกอย่างที่จะหาอะไรเปรียบเสมอเหมือนไม่ได้ลูกรู้ดีว่าของทุกอย่างที่คุณแม่ส่งมานั้นคุณแม่เป็นคนคิดหาเป็นคนทำด้วยตัวเองและแม้เวลาบรรจงจัดเข้าหีพอคุณแม่ก็ต้องเป็นคนทา ด้วยมือของคุณแม่เองด้วยความรู้สึกอย่างนี้ของนั้นจึงมีค่าสำหรับลูกเป็นที่สุดแม้แต่กระดาษทอของทุกชิ้นก็ได้เคยผ่านมือคุณแม่จับต้องมาแล้วจึงเป็นของที่ลูกเห็นว่าเป็นของสูงควรเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งส่วนตัวลูกสุขสบายดีถ้าจะว่าไปแล้วความจริงแล้วการที่มาอยู่บนเกาะนี้ นับว่าสบายกว่าอยู่ที่บางขวางอากาศดีกว่าการควบคุมก็มีได้เข้มงวดนะักมีเวลาเป็นของตัวมากกว่าอยู่ที่เรือนจำความเป็นอยู่ก็เหมือนกับว่ามาเที่ยวตากอากาศผิดกันแต่ว่ามีความแร้นแค้นขาดแคลนอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นธรรมดาของนักโทษไม่แปลกประหลาดอะไรมีบ้านบางเวลาขณะที่อยู่ที่เกาะนี้ซึ่งลูก มักจะนั่งมองเหม่อออกไปที่กลางทะเลแต่คนเดียวรู้สึกว่าตัวนั้นอยู่ไกลแสนไกลไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรู้จักคุ้นเคยความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีขณะที่อยู่ในคุกแต่เพิ่งจะมามีขณะที่ถูกปล่อยเกาะนี้เองความว้าเวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนั้นมีมากมายสุดที่จับประมาณรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองนั้นเป็นเศษไม้เล็ก ที่ลอยอยู่กลางทะเลสุดแล้วแต่กระแสน้ำจะพัดพาไปไม่มีที่ยึดเหนียวไม่มีจุดหมายและฝั่งฟ้าก็ยังมองไม่เห็นการติดต่อที่ลูกได้รับจากคุณแม่ผู้เป็นชีวิตของลูกเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ถึงมีค่าที่สุดที่จะประมาณได้เพราะทำให้รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดมีความรักความเมตตาของคุณแม่ เป็นจุดหมายปลายทางที่มองเห็นได้ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะทางอันไกลสักเพียงไรก็ตามทุกวันนี้ลูกได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกได้มีโอกาสสนองคุณของคุณแม่ได้ในชีวิตนี้และความปรารถนานี้เองเป็นกำลังใจให้ลูกมีมานะอดทนต่อความยากลำบากต่างๆและเป็นเครื่องคุ้มครองให้ลูกระมัดระวังรักษาตัวมิให้เจ็บไข้ ขออย่าให้คุณแม่มีความวิตกไปความเป็นอยู่ของลูกได้อย่างใดเลยจุดหมายฉบับนี้ลูกต้องรีบเขียนเพื่อจะแอบฝากเขากลับมาให้คุณแม่ลูกรู้ว่าออสเขามาทางปากใต้และก็นึกขอบใจเขาอยู่เสมอว่าเขาและลุงเพิ่มมีได้เคยทอดทิ้งลูกเลยถ้าลูกไม่ตายเสียก็คงจะได้มีโอกาสสนองคุณเขาสักวันหนึ่งกราบเท้ามาด้วยความเคารพอย่างสูงอน พอยวางจดหมายลงกับตักช้าๆท่อยคําของตา อ, อ้นที่เขียนยังดังอยู่ในหูเหมือนกับเสียงตะโกนมาจากที่ไกลแสนไกลตาออดเอื้อมมือหยิบจดหมายไปอ่านดูแล้วก็ปรารบขึ้นเบาๆว่าพี่อ้นไปอยู่เกาะสนานเขียนหนังสือพรรณนาความในใจราวกับว่าเป็นนักประพันธ์ทีเดียวแม่ย่าห่วงพี่อ้นมากเลยเพราเท่าที่ลูกสืบได้ข่าวมา ทอ้นกระสุกสบายดีไม่เจ็บไข้เงินทองที่เล็บลอดส่งไปให้กันได้คราวนี้ก็เห็นจะพออยู่ไปได้อีกนานวันหลังลูกจะลงไปส่งเสียให้อีกทำไมไม่ถามข่าวออดบ้างหายหน้าไปตั้งนานแม่ไม่คิดถึงออสบ้างเหรอพลอยหัวเราะคบขันในคำพูดของตาออดที่ทวงความคิดถึงจากตนเอาตรงๆทำให้จะต้องถามด้วยเล่าออลูกของแม่หายหน้าไปทางไหนแม่ก็คิดถึงทั้งนั้น ออดไปปักใต้คราวนี้ได้เห็นอะไรบ้างสนุกไหมลูกสนุกเต็มที่ทีเดียวคุณแม่ออดได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างได้เห็นป่าเขาเห็นการทํามาหากินที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนได้เห็นความยากจนและความยากลําบากที่ไม่มีในกรุงเทพและได้เห็นความมั่งมีอย่างชนิดที่เผาเงินเล่นได้ขนาดที่ในกรุงเทพไม่มีใครกล้าทําจนออดมานึกๆดูแล้ว ก็รู้ว่าเมืองไทยยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ออสไม่รู้พรโมโแต่มันนั่งอยู่ในกรุงเทพต่อไปออสอยากจะออกบ้านนอกมากกว่านี้ถ้าแม่ไม่ห้ามแม่ไม่ห้ามหรอกออสสิ่งใดที่จะทําให้ลูกสบายใจได้แม่ไม่ห้ามทั้งนั้นนอกจากว่าสิ่งนั้นจะเสียหายแกตัวลูกเองลูกไปปักใต้คราวนี้ได้พบเพื่อนที่รู้จักกันแต่เมื่อครั้งเป็นนักเรียนแล้วก็ไปพบกันอีกที่เมืองนอก เดี๋ยวนี้เขาเป็นเศรษฐีอยู่ที่ปากใต้มีเหมืองแร่แล้วก็ตามาค้าขายอื่นๆใหญ่โตเขาเห็นลูกอยู่ว่างๆเขาก็เลยชวนให้ลูกไปทำงานด้วยกันแล้วออสว่าอย่างไรลูกออสก็บอกเขาว่าจะคิดดูก่อนในใจจริงถ้าที่ทำงานอยู่ใกล้กรุงเทพกว่านี้ออสก็คงจะรับปากแต่นี่มันไกลเหลือเกินจะไปมาหาสู่คุณแม่ก็ดูมันจะยากเย็นเสียนี่กะไร อ๋อจะทิ้งคุณแม่ไปไกลถึงเพียงนั้นอ๋ อ, อก็ยังเป็นห่วงอ๋ อ, อเลยตัดสินใจไม่ถูกอ๋อจะห่วงแม่เลยแม่ไม่อยากเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของลูกถ้าอ๋อมีช่องทางที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวอ๋ อ, อก็ยังช่วยโอกาสนั้นเพราะติดอยู่ที่แม่แม่ก็จะไม่สบายใจอ๋ อ, อคิดดูให้ดีๆเอาเองก็แล้วกันนะลูกถ้าหากว่าเห็นควรจะทํามาหากินไกลๆแม่ก็ไม่ห้ามและถ้าจะว่าไป เดี๋ยวนี้หัวเมืองก็ดูจะไม่ไกลนักก็เห็นเข้าไปมาหากันได้สะดวกคิดถึงกันจะไปมาหาสู่กันก็ได้ถ้าออสมาไม่ได้เพราะติดธุระแม่ก็จะลงไปหาที่ปักใต้เองไม่เห็นจะยากเย็นอะไรนักนาดีซะอีกแม่จะได้ไปเที่ยวเตยบ้างเพราะมีลูกอยู่ทางโน้นจริงๆแล้วพลอยแข็งใจพูดนะคะเพราะว่า ในความรู้สึกอันจริงใจของตนนั้นมิได้อยากให้ตะอ๊อจากไปไกลตัวเลยแม้แต่น้อยแต่ก็จําต้องแข็งใจพูดไปตามที่ตนเห็นว่าถูกตะอ๊อฟังพลอยพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่นิ่งอยู่มิได้ดโต้ตอบว่ากระไรคำพูดไปเปลยของตะอ๊อในครั้งนี้ทําให้พลอยหวาดหวั่นอยู่ในใจต่อมาอีกหลายเดือนกลิ่งเกรงว่า ในวันหนึ่งตาออสอาจต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในสถานที่อันไกลพรอยรู้ดีว่าถ้าวันนั้นมาถึงตนก็คงจะไม่อาจขัดขืนหรือว่าห้ามปรามได้เพราะไม่อยากจะตำหนิตนเองว่ากระทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญในวิถีทางแห่งชีวิตของลูกในระหว่างนั้น ตาอัดก็มีอาการเหมือนกับคอยอะไรสักอย่างซึ่งความจริงตาอัดคอยการตัดสินใจคอยการตัดสินใจของตนเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะออกจากบ้านไปทํางานซึ่งตนเชื่อว่าจะถูกกับนิสัยและก็จะเป็นผลดีต่อไปในภายภาคหน้าบางครั้งเมื่อตาอัดมีกิริยาเสื่องซึมพรอยถามว่าเป็นอะไรตาอัดก็มักจะตอบว่า ไม่มีอะไรหรอกแมก่ออสกลุ้มใจว่าไม่มีอะไรทําเท่านั้นเองแต่ก่อนเมื่อยังไม่คิดทํางานก็ไม่สู้อะไรนะักแต่พอไปลองทํางานเข้าแล้วก็ต้องออกมาก็เลยกลุ้มๆยังไงชกนออสเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกับว่ายังคิดไม่ตกแต่เรื่องที่ทําให้ตาออต้องตัดสินใจนั้นกลับมาจากคนอื่นคือพี่น้องของตาอดเอง เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าตามปกติในบ้านของพลอยจะมีรถใช้อยู่สามคันคือรถเล็กๆที่ตะอัานขับเองใช้อยู่เป็นเอ่อเรียกว่าใช้อยู่เป็นส่วนตัวนะคะหนึ่งคันรถส่วนตัวของคุณเสวีที่ใช้ร่วมกับประภัยอีกหนึ่งคันแล้วก็มีรถประจำบ้านซึ่งเก่าแก่มากสำหรับพลอยและตะออดใช้ไปกิจธุระซึ่งตะออดขับเองบ้าง หรือว่าใช้คนขับบ้างนะคะรถคันนี้เป็นรถเก่าแล้วก็เครื่องเสียอยู่บ่อยๆต่อตอสก็เลยแนะนำให้พลอยซื้อรถคันใหม่สักคันนึงเอาไว้ใช้สอยซึ่งพลอยก็เห็นด้วยวันหนึ่งขณะที่ตาอัน้นประภัยและคุณเสวีนั่งอยู่ที่ตึกพร้อมกับตาออสพลอยจึงพูดกับตาอั้นว่าอัน้นออสกขาบอกให้แม่เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ เวลานี้เงินอยู่ที่แม่ไม่พอยังขาดอีกพันกว่ า, วาอันช่วยถอนเงินจากแบงก์มาให้แม่อีกสักสองพันแม่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ใจ่ายทั้งบ้านด้วยความจริงพลอยเอ่ยถึงตะออสโดยไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าคนฟังเนี่ยอาจจะคิดไปเป็นอย่างอื่นแต่อันหันขวับมาทางพลอยแล้วก็บอกว่ารถคันเก่าเป็นอะไรไปเลยครับคุณแม่เออ ก็เห็นออสค่าว่าเครื่องมันเก่าเต็มทีเสียบ่อยแล้วก็ใช้สอยไม่สะดวกนะลูกพรอยตอบโดยไม่ได้เฉลียวใจสงสัยอันก็เห็นว่ายังใช้ได้ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยลําพังคุณแม่ใช้คนเดียวก็นานๆครั้งไม่ใช่ว่าจะหนักหนาอะไรทำไมจะต้องเปลี่ยนใหม่โถพี่อันจะพูดเรื่องรถทำไมพี่อันไม่ไปดูรถซะก่อนละ่ะว่ามันผุพังแค่ไหนแล้ว แต่อันเหลียวขวับไปทางตะออสทันทีออสถ้าออสอยากขี่รถคันใหม่สวยๆออสก็ควรจะหาเงินใช้ซื้อรถเองถ้าออสทำอย่างนั้นจะไม่มีใครว่าอะไรเลยแต่เรื่องจะเอาเงินคุณแม่ไปซื้อรถเล่นโกโก้พี่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวก่อนอันเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของตะออสแม่เป็นคนอยากได้รถใหม่เองอันอย่าไปโทษน้องเปล่าๆผมไม่ได้โทษใครทั้งนั้น ลำพังคุณแม่ร้อยวันพันปีก็ไม่เห็นได้ออกไปไหนถ้าซื้อรถใหม่มาจริงอีกหน่อยก็จะกลายเป็นรถเก่าอีกโดยคุณแม่ไม่ต้องใช้เลยเราก็โตโตกันแล้วทุกคนใครอยากได้อะไรใช้ให้ถูกใจก็ควรจะหาเอาเองบ้างไม่ใช่นั่งกินนอนกินจากกงสีปล่อยให้คนอื่นเ้าทำงานเงินตัวเป็นเกลียวคนที่เราเห็นว่าควรจะนั่งกินนอนกินได้สบายใจในบ้านนี้ก็มีแต่คุณแม่คนเดียว ที่อานหมายถึงออสใช่ไหมถูกออสรู้ตัวเสียทีก็ดีว่าเดี๋ยวนี้นี่ออส ท, ทำตัวไม่ให้พี่น้องนับถือได้เพราะออสเอาเปรียบคนอื่นเอ๊ะออสไม่เคยไปเกี่ยวกับใครและจะหาว่าเอาเปรียบอย่างไรได้เอาเปรียบด้วยวิธีไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละถึงแม้ว่าเวลานี้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในบ้านจะยังรวมอยู่เป็นกองกลาง เป็นของคุณแม่คนเดียวยังไม่ได้แบ่งปักนกันก็ตามทีแต่ต่อไปก็คงจะต้องแบ่งกันในระหว่างลูกๆของคุณแม่สักวันหนึ่งลูกคนอื่นเวลานี้ก็เป็นหลักเป็นฐานไม่มีใครมาช่วยคุณแม่ใช้ให้หมดเปลืองยังเหลือแต่ออสคนเดียวและในที่สุดก็ยังจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งได้รับส่วนแบ่งของที่เหลือเท่ากับพี่น้องคน อ, อื่นๆแล้วอย่างนี้เหรอที่ออดว่าไม่ได้เอาเปรียบ อ, ออดไม่นึกเลยต่ออดหน้าซีดเผือดด้วยความละอายและความช้ำใจพรอยรีพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอันเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องรถยนต์อันจะเห็นควรซื้อใหม่หรือไม่ควรก็น่าจะพูดกันในเรื่องนั้นทำไมจะต้องพูดไปถึงเรื่องอื่นจนกลายเป็นแบ่งมรดกแม่กันต่อหน้าแม่ อันไม่เห็นกับน้องก็ควรจะเห็นกับแม่บ้างคุณเสวีก็พูดสอดขึ้นอีกว่าความจริงรถผมก็ยังมีอยู่อีกคันถ้าคุณแม่มีธุระจะเรียกใช้สอยเมื่อไหร่ผมก็จะยินดีมากจริงไม้ประภัยภัยก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันรถของเราที่เรือนก็มีอย่างที่คุณเสวีว่าคุณแม่จะเรียกใช้เมื่อไรก็ได้แล้วรถพี่อันก็มีอีกทั้งคันไม่เสียหายอะไร คุณแม่จะใช้คันไหนก็ได้เหมือนกับรถคุณแม่เองไม่เห็นจะต้องไปซื้อรถใหม่ให้เสียเงินเสียทองเป็นนั้นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคุณแม่ไม่ต้องมีอะไรของตัวเองชั้นแต่รถก็จะต้องยืมของคนอื่นเขาขี่อย่างนั้นเหรอปรภัยแตะออดถามน้องสาวด้วยเสียงคุณคุณคุณแม่ก็คงมีทุกอย่างเรื่องรถนั้นก็เท่ากับเป็นของคุณแม่เพราะเป็นของลูกๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลย พวกเราอยากให้คุณแม่ใช้ของของเราเรารู้สึกพอใจที่ได้สนองคุณของแม่ที่เลี้ยงเรามาจนโตเท่านั้นเองประไพประไพอยากจะว่าพี่ว่าพี่เป็นคนที่คุณแม่เลี้ยงไม่รู้จกักโตใช่หรือไม่ก็พี่ออสคิดเอาเองก็แล้วกันัยเป็นน้องพูดไปก็ไม่ดีขอบใจประไพขอบใจพี่อัน้นออสรู้ตัวดีอยู่แล้ว ถึงวันนี้ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเป็นอย่างดีว่าพี่น้องของออสเป็นอย่างไรต่อไปนี้ออสก็จะไม่เอาเปรียบใครให้ว่าได้อีกตะอส์นิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นใครโต้อตอบว่าอะไรตะอส์ก็เดินออกจากห้องไปคนเดียวและตั้งแต่วันนั้นมาพลอยก็รู้ดีว่าตะอส์จะต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงโชคชะตาของตนที่อื่นถึงแม้ว่าตะอส์จะห่วงตน แล้วก็รักตนสักเพียงใดแตะออก็คงจะไม่อยู่ในบ้านที่พี่น้องเหยียดหยามและเมื่อไปแล้วต่ออก็คงจะไม่กลับมาอีกจนกว่าเหตุที่พี่น้องจะดูถูกเหยียดหยามได้นั้นจะหมดไปพรอยซึ่งรู้นิสัยใจคอตะออ ด, ดียิ่งกว่าใครๆก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้อยคำที่พูดกันในระหว่างพี่น้องวันนั้นได้ก่อให้เกิดความเจ็บช้าน้าใจแก่ตอ่ออสจนเกินกว่าที่พรอยจะรักษาแก้ไขให้หายได้ คนที่จะแก้ความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นได้ก็คือตัวตาอ๊อดเองและเวลาซึ่งสามารถทำให้ความรู้สึกทุกอย่างเลือนรางไปอีกไม่กี่วันต่อมาตาอ๊อดก็มาบอกกับพลอยว่าจะไปทำงานกับเพื่อนที่เขาชวนไว้ทางปักใต้เมื่อพลอยถามว่าจะต้องการเงินทองเท่าไหร่เพื่อจะไปเข้าหุ้นเข้าทุนกับเขาตาอ๊อดก็สั่นหัว ลูกคิดว่าจะไปมือเปล่าไม่ขอเงินของคุณแม่ให้ใครมาว่าได้อีกลูกมีไปให้เขาแต่กำลังกายกำลังความคิดเพียงสองอย่างนี้ก็เท่ากับจะเป็นทุนที่พอและกระมังวันที่ตะอัดมาลาออกเดินทางไปในตอนเช้านั้นพลอยได้แต่ใจหายแล้วก็เศร้าใจจนพูดอะไรไม่ถูก ได้แต่ลูกผัวตะออสสั่งแล้วสั่งอีกให้กลับมาหาพลอยเมื่อมีเวลาว่างซึ่งตาออสก็รับคำและปลอบโยนพลอยว่าตนมิได้ไปไกลนักนาะพอมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะกลับมารับพลอยไปเที่ยวให้ไปอยู่ด้วยกันนานๆทางปักใต้ ตาออดลงจากเรือนไปแล้วพรอยก็หันหน้ากลับเข้าห้องจะมองดูอะไรก็รู้สึกเหี่ยวแห้งหมดอะไรตายอยากไปสิน้นความรู้สึกตัวว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกนั้นมีมากเพียงจะทับถมหัวใจพรอยเดินไปนั่งที่มาเครื่องแป้งเปิดลิ้นชักเบาๆ หยิบเอากรงนกที่มีนกตัวเล็กๆร้องได้ด้วยไขายลานที่เสด็จประธานไว้หลายสิบปีมาแล้วขึ้นมาพินิจดูของเล่นของคนโบราณมีแต่ความหมายเป็นสัญญาณให้พลอยได้นึกถึงความหลังที่ล่วงโพ้นไปแล้วไกลพลอยไขายลานที่กรงนกแล้วก็กดสปริงเปิดให้นกร้องเพลงเสียงร้องดังเหมือนเสียงคนร้องไห้ พลอยวางกรงนกนั้นลงแล้วก็ก้มหน้าฟุบอยู่กับมาเครื่องแป้งนั้นนานตาอ้อเดินทางไปปากใต้แล้วส่วนตาอ้นก็ยังอยู่ที่เกาะในบ้านตอนนี้เหลือแต่ตาอั้นและประไพที่เป็นลูก คุณเสวีที่เป็นเคยยายพิษที่เคยเลี้ยงพลอยมาแต่ยังเด็กและอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตก็เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคชราจนวันหนึ่งยายพิษเข้านอนแล้วก็หลับหายไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเหมือนกับผลไม้อันสุกงอมที่ร่วงหล่นลงมาเองจากต้นความตายที่มาดึงเอาตัวยายพิษไปทาให้พลอยรู้สึกว่า ลูกโซ่ที่ผูกมัดตัวพลอยไว้กับความหลังต่างๆนั้นได้หลุดหายไปอีกเปราะหนึ่งแม้แต่พ่อเพิ่มพี่ชายซึ่งเคยไปมาหาสู่กันเสมอเมื่อครั้งตาอัดยังอยู่บ้านก็พลอยหายหน้าไปไม่มาบ่อยนักตั้งแต่ตาอัดออกจากบ้านไปแล้วถึงแม้ว่าตาอัดจะมีหนังสือมาถึงพลอยเสมอและในหนังสือที่มีมา แต่ออสจะพยายามพูดจาด้วยคารมที่สนุกสนานเช่นเคยตลอดจนมีข่าวคราวจากตาอ้อนส่งมาให้เสมอพลอยก็ยังคิดถึงตาออสเป็นอย่างยิ่งอยู่นั่นเองเพราะเพียงแต่หนังสือซึ่งมาถึงเป็นครั้งเป็นคราวไม่สามารถจะแทนตัวตาออสได้ตาออสที่เคยนั่งพูดนั่งคุยอยู่เป็นประจำบางครั้งหนังสือจากตาอส กลับทาให้พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะตาออดพูดมาด้วยถ้อยคำที่สะกิดใจเป็นต้นว่าตาออเขียนมาครั้งหนึ่งว่าลูกยิ่งมาอยู่ไกลแม่มากเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งมองเห็นพระคุณของแม่มากขึ้นทุกวันที่ลูกเติบโตเป็นตัวมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่ได้ทนุถนอมเลี้ยงลูกมา ที่ลูกได้มีวิชาความรู้พอจะทำมาหากินได้ก็เพราะแม่เป็นคนให้ลูกไม่ได้หมายถึงความรู้ที่ไปเรียนมาจากนอกแต่หมายถึงเหตุผลและความรู้ที่แม่ได้อบรมสั่งสอนให้แก่ลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตสอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์ให้มีใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์สอนให้พิจารณาปัญหาทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยใจที่เป็นธรรมจนลูกรู้สึกตัวเหมือนกับว่า มีแม่มาอยู่ข้างๆตัวลูกคอยกระซิบแนะนำตักเตือนให้ลูกกระทำทุกอย่างในทางที่ถูกเสมอเวลาที่ลูกเขียนหนังสือฉบับนี้เป็นเวลาบ่ายเกือบครบเสร็จจากงานแล้วลูกนั่งเขียนหนังสืออยู่ที่เฉลียงหน้าบ้านพักใกล้กับเหมืองแร่ที่ลูกทำงานมองไปข้างหน้าเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันขึ้นไปเป็นทิวฝูงนกต่างๆกำลังบินกลับรัง และพระอาทิตย์ก็กําลังลับเหลี่ยมเขาไปลูกมองออกไปข้างหน้าลูกก็รู้ว่าแม่จะต้องชอบภูมิประเทศอย่างนี้แน่ๆถ้าแม่มาได้จริงก็คงจะนั่งดูอยู่ที่หน้าเรือนนี้ได้ทุกวันไม่มีเบื่อลูกคิดอะไรด้วยใจของแม่มองทุกอย่างก็ด้วยตาของแม่ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะใจของลูกและตาทั้งคู่ของลูกนี้เกิดมาจากส่วนหนึ่งของแม่และแม่ เป็นผู้ให้แก่ลูกความสุขตาสุขใจทุกอย่างจึงเกิดมาจากของที่แม่ได้ให้ไว้ทั้งสิ้นแต่ทั้งที่พลอยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเช่นนั้นพอพลิกจดหมายตาออดไปอ่านอีกหน้าหนึ่งพลอยก็ต้องหัวเราะ อ, ออกมาทาังน้ำตาแม่จ๋าออตรู้แล้วว่า ทางปากใต้นี้วิธีที่จะรวยเร็วที่สุดตั้งตัวได้เลยก็คือหาลูกสาวเศรษฐีขนาดเจ้าของเหมือนเป็นเมียสักคนเท่านั้นเองแหละแม่ง่ายดีไหมเวลานี้ออทมองไว้แล้วสองคนมีเงินนับไม่ท่วนพอๆกันคนหนึ่งห้าสิบกว่าเข้าไปแล้วตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็ฟันห่างๆกันราวกับเสาสะพานอีกคนหนึ่งอายุเพิ่งจะหกขวบขี้มูขี้ตาเปอะขี้อ้อนจังเลย แม่ช่วยเลือกทีเถิดว่าอยากได้คนไหนเป็นลูกสะพ้ยใจลูกนั้นเห็นว่าคนแรกดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องคอยมรดกแกนานส่วนคนหลังนั้นกลัวว่าลูกอาจจะตายซะก่อนจะหาให้ดีกว่าสองคนนี้ก็ยังไม่เจอตัวและลูกก็มาช้าไปเพราะคนอื่นๆที่พอจะดูได้ก็มีคนเข้ามาคว้าเอาไปเสียหมดแล้วแม่ช่วยบอกมาด้วยว่าออดควรจะทำอย่างไรดีนี่ก็เป็นจุดหมายที่ทาให้พลอยนี่ ระทั้งน้าตาในระหว่างนั้นชอยก็รู้ใจพลอยว่าว้าวเวจากการที่ตาออดไปทํางานที่ปักใต้ชอยจึงออกจากวังมาหาแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยอยู่เสมอบางครั้งช้อยก็มานอนค้างอยู่ด้วยหลายๆคืนในขณะที่ช้อยมาอยู่ด้วยพลอยก็รู้สึกว่าใจคอชุ่มชื่นพอจะอดทนต่อความทุกข์ความเปร่าเปลี่ยวใจต่างๆได้บ้าง เพราะว่าช้อยเป็นห่วงสําคัญในสายโซ่ที่ต่อเนื่องระหว่างปัจจุบันอันมีแต่ความทุกข์และอดีต ท, ที่มีแต่ความสุขถึงแม้ว่าบางเวลาช้อยจะมาอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดจายอย่างไรพลอยก็พอใจที่มีช้อยอยู่ใกล้ๆเพราะว่าพลอยออกจากวังมาช้านานความเป็นอยู่ส่วนตัวก็เปลี่ยนแปลงไปตามการละสมัยแต่ช้อยอยู่ในวังมาตลอดจึงเป็นชา ว, วังอยู่โดยสมบูรณ์ทุกกระเบียดนิ้ว ชาววังอย่างที่พลอยเคยรู้จักและเคยนิยมการะสมัยและเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นมีได้ทําให้ช้อยเปลี่ยนไปกี่มากน้อยเวลาช้อยมาค้างที่บ้านตกเย็นช้อยก็จะอาบน้ำและผัดผ้านุ่งผ้าลายห่มผ้าแถบสีตามวันอย่างที่หาดูไม่ได้อีกแล้วผนุ่งผ้าห่มของช้อยก็ยังมีกลิ่นอบกลิ่นร่ําซึ่งครั้งหนึ่ง เคยคุ้นต่อจมูกของพลอยเป็นที่สุดพอช้อยขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็จะได้กลิ่นอบกลิ่นร่ํานําหน้ามาก่อนและถ้าหากว่าช้อยนั่งลงที่ตรงไหนกลิ่นอบกลิ่นร่ําของชาววังก็ยังจะหอมติด ก, กระดานอยู่นานหลังจากที่ช้อยได้ลุกไปแล้วช้อยอยังเป็นคนเดียว ที่พลอยสามารถเล่าเรื่องความทุกข์ความวิตกเกี่ยวกับเรื่องลูกเต้าให้ฟังอย่างไม่มีอะไรปิดบงังและชอยก็รับฟังด้วยความสนใจและเห็นใจความเห็นของชอยทําให้พลอยได้ความคิดในปัญหาของตนในทางใหม่เพราะชอยพูดถึงเรื่องของต่ออสว่าแม่พลอยเรื่องพ่อออสเนี่ยฉันดูดูแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละ ถึงฉันจะพูดอะไรออกไปแม่พลอยก็อย่าเพิ่งเห็นตามชั้นไปหมดคิดดูให้ดีก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ฉันเป็นยายแก่หลงหลงคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ฉันเห็นว่าแปลกก็คือพ่อออสก็อยู่มานานไม่เคยมีเรื่องมีราวกับพี่น้องแต่ทําไมถึงได้มาเกิดเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจกันเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าคนสามคนอยู่กันมาได้ตลอดไม่ผิดพ้องหมองใจกันแต่ต่อมามีคนคนหนึ่งมาอยู่ด้วยเป็นคนที่สี่ แล้วจึงเกิดผิดใจกันฉันก็อยากจะซัดคนที่สีนั่นไว้ก่อนว่าเป็นคนมาก่อเหตุแม่พ้อยจึงควรระวังคนคนนั้นให้ดีช้อยหมายถึงคุณเสวีใช่ไหมพรอยถามอย่าให้ฉันออกชื่อเลยแม่พ้อยพูดไปเท่านี้ก็เป็นยายแก่ยุ่หเฮรำตำให้รั่วพอตัวอยู่แล้วแต่ที่พูด ก็เพราะฉันเห็นว่าแม่พ้อยไม่ใช่คนอื่นจึงกล้าพูดคุณเสวีนะ่ะเห็นจะไม่ชอบกับตาอ๊อดแน่แต่ลูกฉันมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะตั้งข้อรังเกียจขัดขวางมาตั้งแต่แรกฉันดูไปแล้วก็พอกันเข้าตำรับขิงก็ราขาก็แรงฉันเองก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรถูกพ้อยก็อย่าไปเก็บเอาเรื่องต่างๆมาเป็นอารมณ์มากนักเลยวาอันที่จริง พลอยเคราะอยดีกว่าฉันเป็นไหนๆ น, น่าจะสบายใจอยู่เป็นหนักหนาแล้วฉันไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่น่าสบายใจเลยชอยวันหนึ่งๆก็ได้แต่ยุ่งเรื่องของลูกๆเต้าๆไม่มีเวลาที่จะได้สุขสบายกายอย่างเขาอื่นคิดๆไปก็กรุ้มใจไม่รู้ว่าไปทำกรรมเวรอะไรมาชอยซะอีกสบายออกจะตายตัวคนเดียวไม่มีห่วงมีใยจะทาอะไรก็ได้ ข้อนี้แหละที่พลอยเข้าใจผิดเรื่องตัวคนเดียวนี่แหละเป็นความทุกข์ของฉันทําให้ฉันต้องนึกอิจฉาพลอยเสมอวันหนึ่งหนึ่งพลอยมีเรื่องคิดเรื่องทําเกี่ยวกับลูกกับเต้าถึงจะดีไม่ดีจะทุกข์จะสุขพลอยก็ยังมีเรื่องคิดยังรู้สึกตัวว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวส่วนไอ้ฉันสิไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวสุขทุกข์ก็เป็นเรื่องของตัวทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่น จนบางครั้งก็เบื่อตัวเองเสียเต็มประดาอยากจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องบ้างอีกอย่างหนึง่งถึงพลอยจะทุกข์ก็ทุกข์ในเรื่องอื่นไม่ใช่ทุกเรื่องมีเรื่องจนเพราะว่าพลอยเป็นคนเคราะห์ดีตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานส่วนชั้นนั้นได้แต่นั่งคิดด้วยเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังจะจับใจใช้สอยอย่างไรก็ต้องระมัดระวังไปรอบด้านพลอยก็คงจะรู้ว่า ข่าวของเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกเหมือนแต่ก่อนฉันเองถึงจะตัวคนเดียวก็ไม่มีอะไรหนักหนาแต่ก่อนอยู่กับเสด็จก็ไม่รู้สึกเพราะเจ้านายถนเลี้ยงคิดแต่จะสนุกไปวันหนึ่งหนึ่งพอเสด็จสิ้นพระชนลงได้ประทานบ้างนิดนิ ด, นดหน่อยหนก็หมดไปนานแล้วเวลานี้ยังมีกินมีใช้อยู่ได้ก็เพราะคุณอาศายทิ้งเอาไว้บ้างดีอีกอย่างหนึง่งที่ยังอาศัยตาหนักเสด็จอยู่ได้จนทุกวันนี้แต่ก็นั่นแหละ ตำหนักก็เป็นของหลวงใครเขาจะมาไล่เมื่อไร่ฉั้นก็ไม่รู้โถ่ชอยฉันไม่รู้เลยว่าชอยต้องลำบากแล้วคุณพ่อคุณแม่ของชอยบ้านเก่าของชอยนอกวังก็มีไม่ใช่หรอชอยหัวเราะอย่างปรงตกก่อนจะตอบว่าคุณพ่อของฉั้นก็จนออกจะตายไปตายลงเกือบจะไม่มีอะไรเหลือชั้นแต่จะทำศพคุณอาสา ย, ยังต้องช่วยออกเป็นกอง สวนบ้านเก่านั้นพี่เนื่องเขาก็ขายไปนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่กับเมียที่ปากน้ำโพมีลูกออกเป็นโขงพูดถึงบ้านฉันก็อดจะใจหายไม่ได้เพราะเมื่อเด็กๆได้อยู่มาอย่างมีความสุขได้ออกจากวังมาเที่ยวบ้านก็ดีใจเสียนีกระไรเมื่อไม่นานมานี้เองฉันลองผ่านไปดูพอเห็นเข้าก็ใจเสียนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วก็แทบจะลงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้น อะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วละพรอยครองข้างบ้านที่เราเห็นว่ากว้างเรือแล่นได้สบายเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นคูแคบมีแต่ขยะมูลฝอยตัวบ้านหรือ ก, ก็ผุพังแทบจะจำไม่ได้และก็มีเจ๊กเข้าไปนั่งกี่กระตุกทอผ้าอยู่เต็มทั้งข้างบนทั้งใต้ถุนบ้านดูเหมือนกับคนที่เรารู้จักเคยรัดเป็นหนักหนาแล้วก็มาตกยากลาบากจนปอนไป แล้วก็แก่เท่าซุดโสมจนแทบจะจาไม่ได้โธ่ชอยฉันไม่รู้จริงๆว่าชอยลาบากชอยก็เพิ่งจะมาบอกฉันวันนี้เองว่าชอยต้องลาบากด้วยเรื่องเงิ น, เ ง, นเงินทองทองถ้าฉันรู้ซะก่อนชอยไม่ปล่อยให้พรอยพูดจนจบรีบพูดสอดขึ้นว่าอย่าพรอยอย่าดีกว่าฉันรู้หรอกว่าใจแม่พรอยนั้น กว้างขวางเรากับพระมาหาสมุทรแต่แม่พร้อยไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรฉันอกเพราะฉันยังอยู่ได้ไม่ลำบากถึงเพียงนั้นที่พูดให้ฟังก็เพราะอยากให้พร้อยเห็นว่าเราต่างคนต่างก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างไม่ใช่ว่าพร้อยมีทุกข์แต่เพียงคนเดียวคิดเสียอย่างนี้บางทีก็จะระงับความทุกข์ของตัวเองได้บ้าง พลอยได้แต่นั่งนิ่งดูเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กด้วยความสงสารเพราะว่านานๆชอยจริงจะพูดจริงๆไม่มีตลกคานองสักครั้งหนึ่งและนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ชอยได้เอ่ยปากเล่าถึงความทุกข์ในเรื่องของการดำรงชีวิตซึ่งพลอยไม่เคยรู้มาก่อนเลยพลอยก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้ชอยทํามาหากินอะไรบ้างหรือเปล่า อยู่เฉยๆไม่ได้หรอกพลอยถ้าทำอย่างนั้นเป็นต้องอดแต่คนอย่างฉันจะทำอะไรได้กี่มากน้อยเดี๋ยวนี้ก็ทำน้ำอบไทยทำน้ำปรุงส่งไปฝากเขาขายข้างนอกบ้างรับสบงจีวรเข้ามาสอยบ้างนานๆก็มีงานดอกไม้มันก็พอกินไปวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราไม่กินอะไรมากตายจริงแล้วถ้าเจ็บไข้ลงจะทำอย่างไรมีลำบากแย่หรือไม่เป็นไรล็อกเรื่องนั้น ถึงเวลาเจ็บไข้เข้าก็เอาของเก่าออกขายพอถั่วไถไปได้ข้อสำคัญอย่าอยู่ไปจนของเก่ามันหมดก่อนแล้วกันคำปรารพของช้อยทำให้พลอยเห็นใจช้อยยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาช้อยไม่เคยปรับทุกส่วนตัวให้พลอยได้ฟังมาก่อนเลยช้อยสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ยากของตนได้คนเดียว ไม่ยอมให้ความทุกข์ของตนพาเพื่อนฝูงให้ต้องทุกข์ไปตามและถ้าหากชอยจะนำความทุกข์ของตนออกมาแสดงความประสงค์ของชอยก็เพื่อจะให้ความทุกข์ของตนนั้นได้บรรเทาความทุกข์ของเพื่อนด้วยการเปรียบเทียบด้วยเจตนาที่จะช่วยเพื่อนมากกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือความดีของชอยที่มีต่อพลอยเป็นเครื่องประโลมใจและเป็นทั้งสติสาหรับพลอย และนานเข้าความสงสัยของชอยที่มีต่อคุณเสวีก็เริ่มจะปรากฏผลเป็นจริงเป็นจังออกมาให้พลอยสังเกตเห็นได้นับตั้งแต่ตะอ๊ดออกจากบ้านคุณเสวีก็พยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพลอยใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อครั้งที่ตะอ๊ดยังอยู่ในบ้านนั้นนานๆพลอยถึงจะได้พบคุณเสวีสักครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ตาออดไปแล้วคุณเสวีก็เดินข้ามสนามจากเรือนที่อยู่มาหาพลอยที่ตึกแทบทุกวันบางครั้งก็มีประภัยติดตามมาด้วยแต่ส่วนมากคุณเสวีมาคนเดียวความจริงพลอยไม่พยายามคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากจะมองดูการกระทาของคุณเสวีด้วยความเมตตาและความเห็นใจพลอยก็มักจะมองคนในแง่ดีอยู่เสมอนะคะก็มองไปว่า คุณเสวีเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเพราะรู้ว่าพลอยต้องอยู่คนเดียวอย่างว้าเวก็คงอยากจะมาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนแต่คําพูดของคุณเสวีก็ดีสายตาของคุณเสวีที่ชอบมองไปรอบๆเหมือนกับจะประเมินราคาสิ่งของต่างๆก็ดีตลอดจนความรู้สึกที่ว่าตาอ๊อสไม่ชอบคุณเสวีนั่นเองเป็นอุปสรรคคอยกันก้นกลางมีให้พลอยสนิทสนมกับลูกเขยได้เท่าที่ควรจะเป็นตามปกติ คุณเสบีพูดจากับพลอยด้วยถ้อยคำอันสุภาพแล้วก็เอาอกเอาใจพลอยทุกทางจนพลอยอดนึกเอ็นดูไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พลอยรู้สึกเช่นนี้พลอยก็อดนึกถึงตาฮอไม่ได้และมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตนกำลังทรยศต่อลูกโดยที่ปล่อยตัวให้รักใครเมตตาคนที่ลูกไม่ชอบรับหลังลูกในขณะที่ลูกไม่อยู่พลอยรู้ดีว่าความรู้สึกแบบนี้ไรเหตุผลแล้วก็ไราสาระ แต่ถ้าจะว่ากันในทางที่ถูกคุณเสวีก็เป็นเขยควรที่จะอยู่ในข่ายของความเมตตากรุณาแห่งตนได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึกส่วนตัวของคนอื่นเลยแต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆถึงพรอยจะพยายามหักห้ามใจก็มีได้หายขาดและด้วยความรู้สึกที่ขัดกันเองอยู่ในตัวเช่นนี้พอยจึงอยากให้คุณเสวีเก็บตัวไว้ห่างๆเหมือนเมื่อก่อน ไม่อยากให้คุณเสวีไปมาหาสู่แทบทุกวันแต่พลอยก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เมื่อลูกเขยจะมาหาพลอยก็จำต้องต้อนรับทั้งที่บ่อยครั้งพลอยรู้สึกตัวว่ากำลังนั่งภาวนาให้ลูกเขยกลับเสียเร็วๆและครั้งหนึ่งคุณเสวีก็พูดอะไรบางอย่างที่สะกิดใจพลอย ทำให้ต้องคุ่นคิดถึงความปรารถนาและเจตนาของคุณเสวีที่มีต่อตนและต่อครอบครัวของตนวันหนึ่งคุณเสวีพูดขึ้นว่าผมดูดูคุณอั้นแล้วก็อดนึกสงสารไม่ได้เพราะเหนื่อยอยู่คนเดียวคุณเสวีเรียกตาอั้นว่าคุณเพราะถึงแม้ว่าคุณเสวีจะอายุมากกว่าและมีฐานะเป็นทั้งเพื่อนและทั้งนาย แต่อย่างไรก็ตามคุณเสวีก็ยังเคารพตาอันในฐานะพี่ชายของภรรยาทำไมรึกพ่อเสวีพลอยถามอย่างพาซื้อเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าตาอันเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องอะไรผมเห็นเขาทางานที่กระทรวงก็อดชมไม่ได้เพราะงานหนักเท่าหนักคุณอั้นเป็นต้องเอาตัวทุ่มเทเสมอไม่เคยหลีกเลี่ยงเสร็จงานทางกระทรวงก็ยังมีงานทางบ้านจะต้องดูแลอีก งานทางบ้านไม่เห็นจะมีอะไรเลยพลอยพูดอย่างงงๆอ้าวก็งานเกี่ยวกับทรัพย์สินผลประโยชน์ของคุณแม่เองถึงจะไม่มากก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันและถ้าจะให้ดีคุณแม่มอบให้ใครช่วยดูแลแบ่งเบาภาระคุณอั้นลงไปสับ้างบางทีก็จะสบายขึ้นมีเวลาพักผ่อนได้บ้างฉันก็ไม่เคยได้ยินขบวลเลยนี่นาพลอยพูดอย่างลังเลไม่แน่ใจ แต่คุณเสวียิ้มละไมอย่างรู้เรื่องดีแล้วก็ตอบว่าคุณอั้นไม่ใช่คนที่จะบ่นกับใครยิ่งเป็นงานที่คุณแม่มอบหมายให้ทำแล้วคุณอั้นจะไม่ปรีปากเลยฉันแต่จะขอให้ใครเข้าไปช่วยคุณอั้นก็จะไม่เอ่ยปากพูดจนกว่าคุณแม่จะเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนฉันก็ไม่มีใครอีกจริงๆนะพ่อเสวีลูกเต้าก็กระจัดกระจายพัดพรายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางไม่รู้จะทาอย่างไร ความจริงผมว่าประภัยก็อยู่ว่างๆเวลาผมกับคุณอั้นไปทำงานประภัยอยู่ทางนี้คนเดียวทุกวันถ้าหากคุณแม่จะเรียกใช้สอยก็คงไม่ขัดช่างเถอะพ่อเสวีพลอยรีบตอบดักคอขึ้นทันทีฉันถือเป็นคติทีเดียวว่าผู้หญิงที่มีเรือนแล้วจะต้องมีหน้าที่อยู่กับผัวอยู่กับบ้านของตัวทิ้งไม่ได้และอีกอย่างหนึง่งฉันก็ไม่ได้เลี้ยงประภัยมาให้ทางานแบบนี้ เคยสอนให้ดูแต่การบ้านการเรือนถึงจะใช้ให้ทำก็คงไม่เข้าใจและนิสัยของประภัยก็คงไม่ชอบคุณเสบีได้ฟังก็นิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าแม่แต่ผมเองเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ก็คิดถึงพระคุณคุณแม่อยู่เสมออยากจะช่วยทำการงานของคุณแม่เพื่อสนองคุณผมจะออกปากพูดกับตาอั้นเขาเองก็ใช่ที่เขาจะหาว่ากา้าวไก่ ถ้าหากคุณแม่เห็นว่าพอจะไว้ใจใช้สอยผมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระอย่างไรผมจะดีใจมากว่าแล้วคุณเสวีก็กวาดตาไปรอบห้องเช่นเคยในลักษณะที่พลอยนึกรมคาญอยู่เสมอไม่เป็นไรลอกพ่อเสวีแล้วฉันจะลองถามอั้นดูเขาจะว่าอย่างไรบ้างก็ยังไม่รู้แล้วพลอยก็ทิ้งปัญหาไว้แค่นั้นพอคุณเสวีกลับไปแล้วพลอยก็ให้นึกอัศจรรย์ใจ ว่าคุณเสวีจะมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองของตนคุณเสวีนั้นไหนว่าก็ชอบพอกับตาอั้นเป็นหนักนามีเรื่องราวที่อยากจะช่วยเหลือกันเหตุไนหคุณเสวีไม่ยอมพูดกับตาอั้นเอาเองแต่ต้องมาพูดผ่านทางพลอยเหมือนกับว่าคุณเสวีต้องการคำพูดจากปากพลอยผู้เป็นเจ้าซั์ไว้อ้างเพื่อเป็นสิทธิในอนานาจต่อไป อีกอย่างหนึ่งดูๆไปแล้วก็แปลกที่คุณเสวีมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อตาออดออกจากบ้านไปแล้วหรือว่าบางทีตาออดจะเป็นเครื่องกีดขวางอะไรอยู่สักอย่างดอกกระมังพลอยสั่นศรีรษะช้าๆเหมือนกับพยายามจะสลัดความคิดอันเป็นอกุศลให้ออกจากตัวว่าตัวเองคิดมากไปแก่เข้าก็อาจจะลหลงลไหลๆพลอยนึกอยู่ในใจ แล้วก็หาเหตุผลให้ตัวเองว่าเขาก็ไม่ใช่คนยากคนจนทางบ้านเขาก็ร่ำรวยไม่น้อยกว่าเราหรือจะมากกว่าเราซะอีกเขาจะมาใหญ่ดีอะไรแต่อีกแค่สมบัติเล็กๆน้อยๆที่เรามีคิดเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องไม่สมกับที่เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเกิดทำท่าแม่ยายที่ดีไม่ถูกยญยช้อยแกจะขันเอาตายพลอยบอกกับตัวเองในที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งตอนเย็น หลังจากกินข้าวแล้วพรอยอยู่กับตาอั้นสองต่อสองเพราะว่าประไพชวนคุณเสวีให้พาไปดูหนังที่เฉลิมกรุงพรอยก็เรียบเคียงถามตาอั้นขึ้นว่าอัน้นแม่สังเกตดูว่าอั้นทำงานมากทั้งงานหลวงและ ง, งานของแม่อั้นไม่เหนื่อยบ้างเลยลูกตาอั้นยิ้มก่อนจะตอบว่าก็ไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยอะไรทาไมคุณแม่ถึงถาม ยิ่งงานของคุณแม่แล้วยิ่งไม่เ ห, เหนื่อยอะไรเลยเก็บค่าเช่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่งเข้าแบงค์คุณแม่จะเอาเท่าไหร่ผมก็ไปเบิกมาให้แล้วก็คอยดูให้บัญชีมันลงตัวอย่าให้ใครมาว่าทีหลังได้ว่าโกงคุณแม่เท่านั้นเปล่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนึกว่าอ้นเหนื่อยทําคนเดียวไม่ไหวถ้าอยากจะได้ใครช่วยดูแม่ก็ไม่ว่าคุณแม่นึกว่าจะเอาใครมาช่วยผมแม่ก็ไม่รู้ อย่างคุณเสวีอันเห็นเป็นอย่างไรแต่อันนิ่งอึ้งลงเหมือนกับมีอะไรมาสะกิดใจแล้วพูดว่าเอคุณแน่นึกยังไงขึ้นมาผมไม่เข้าใจเลยถึงเสวีเขาจะเป็นเคยก็จริงแต่เมื่อเรายกประภัยให้เขาแล้วก็ควรจะแล้วกันไปเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขานักหนา ทำไมจะต้องเอาตัวเขาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินเงินทองทองของคุณแม่แม่เห็นเขาชอบกับอัน้นนึกว่าจะช่วยกันอีกแรงหนึ่งได้เท่านั้นเองก็ถูกที่ผมชอบกับเขาแต่เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องมีขอบเขตบ้างผมถามอะไรคุณแม่จริงๆเถิดเรื่องนี้คุณแม่คิดขึ้นเองหรือใครมาพูดขึ้นแต่อั้นถามตรงๆ เล่นเอาพลอยตอบตะกุกตะกัดว่าแม่เ อ, อแม่ก็คิดคือความจริงคุณเสวีเขาพูดขึ้นก่อนเขาว่าเขาอยากจะทาอะไรที่จะสนองคุณแม่แม่ก็เลยถามอั้นดูผมนึกว่าแล้วทีเดียวแต่อั้นตอบอย่างมองเห็นเรื่องตลอดประไพก็เคยมาพูดกับผมเรื่องนี้เหมือนกันแต่ผมทำเฉยๆซะ เพราะไม่เห็นเป็นเรื่องจำเป็นจากนั้นตาอัานก็นั่งนิ่งๆเหมือนกับว่าคิดอะไรอยู่เป็นนานและในที่สุดก็ถามพลอยขึ้นเบาๆจนเกือบเป็นกระซิบว่าคุณแม่ผมอยากถามอะไรคุณแม่สักอย่างคุณแม่ก็เคยเห็นคนมามากคุณแม่เห็นว่าเสวีเขาเป็นคนอย่างไร แม่ก็เห็นเขาเป็นคนดีในฐานะที่เขาเป็นลูกเขยเขาก็ทำตัวถูกทุกอย่างจนบางครั้งแม่ก็ออกจะสงสารเพราะถังแม่เสอีกทำตัวเป็นแม่ยายได้ไม่ดีนักไม่ค่อยจะสนิทสนมกับเขาเท่าที่ควรแต่อันก็รู้อยู่แล้วว่าแม่คุ้นกับคนยากอย่างคุณเสวีมารู้จักกันเมื่อโตก่อนจะได้กับประภัยแม่ก็ไม่ได้มีเวลาคุ้นเคยกับเขาเท่าไหรนะ่นักเดี๋ยวนี้ก็ยังกระดากแต่ก็นั่นหละ นานเข้าก็คงจะคุ้นกันไปกระมังพลอยก็ตอบแบบคนมองโลกแงด่ดีที่แทบจะไม่เคยมองใครในแง่ร้ายนะคะแต่อันฟังพลอยแล้วก็บอกว่าผมเองก็พูดไม่ถูกบางทีก็นึกว่ารู้จักเขาดีแต่บางทีก็ดูเขาไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาท่าไหนที่ผมเห็นแปลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยปประภัยเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนก่อนพูดจาอะไรเป็นเสียงเสวีไปหมด พลอยก็เลยแก้ต่างแทนบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาผัวเมียกันก็ต้องรักกันที่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็ดีแล้วแสดงว่าเขากลมเกลียวกันดีพลอยก็กลับมองในแง่ดีซะอีกว่าเป็นเรื่องที่ควรจะดีใจที่ผัวเมียเนี่ยเขาเข้ากันได้แต่ตาอั้นไม่ได้เห็นเช่นนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณแม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงถูกถ้าลําพังแต่เขารักกัน โกมเกลียวกันผมก็ดีใจที่น้องสาวมีความสุขแต่ฟังคำพูดของประภัยบางครั้งเหมือนกับว่าแกพูดไม่เต็มปากเหมือนกับใครใช้ให้มาพูดหรือว่าถูกบังคับมาผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนี่คือความรู้สึกของตาอั้นนะคะอัน้นคุณเสวีเขาก็เป็นเขยแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราจะคิดอะไรทำอะไร หรือว่าจะพูดอะไรอันควรระวังให้มากนะถ้าจะคิดจะทำหรือว่าจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าเรื่องเขยกับญาติข้างเมียนั้นลำบากดีไม่ดีก็จะเก็บไปเล่าลือนินทากันต่างๆแม่เองบางทีก็หนักใจแต่อันก็ต้องช่วยแม่คอยดูแลอย่าให้เกิดเรื่องได้เป็นดีผมรับรองได้ว่าไม่มีเรื่องกับใครแต่ยิ่งดูคนนานๆ ผมก็ยิ่งมองไม่ออกเข้าทุกวันบางทีเหมือนกับไม่รู้จักแปลกดีเหมือนกันแต่อันทิ้งท้ายเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรอีกขนาดเดียวกันพลอยก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งประภัยก็เป็นคนมาพูดขึ้นก่อนกับพลอยว่าคุณแม่คะเรื่องการเงินการทองในบ้านทุกวันนี้คุณแม่ทราบเรื่องบ้างหรือเปล่าพลอยก็ถอนใจ ที่ประภัยเปิดประเด็นถึงเรื่องนี้อีกนะคะพลอยก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่อ่าเพราะว่าตาอั้นเนี่ยก็ดูแลได้เรียบร้อยประภัยก็บอกว่าภัยกรัวพี่อั้นเขาจะดูคนเดียวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวจะรั่วไหลไ ป, ปเปล่าๆน่าเสียดายพี่อั้นก็เป็นคนละเอียดแม่มอบให้เขาทํามาตั้งแต่แรกยังไม่เคยเห็นเขาเสียหายยังไงประภัยมาถามขึ้นทําไมตอนนี้ ไพ่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกคะ่ะประไพตอบแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นแต่ไพ่เห็นพี่อั้นทําอยู่คนเดียวก็อยากจะให้มีคนรับรู้ไว้บ้างเพราะว่าลูกคุณแม่ก็มีหลายคนด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาความหมายในคำพูดของประไพทําให้พลอยเกือบโมโหเพราะจริงๆแล้วประไพนี่เป็นคนที่รักแล้วก็นับถือตาอั้นมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้กลับพูดเหมือนประแหวนตาอัาน้นพลอยก็พยายามสะกดใจเอาไว้ก่อนจะบอกว่า ประไพก็รู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรอว่าพี่อั้นเน่ะเขาไม่ใช่คนเหลวไหลผลประโยชน์ของแม่และของน้องๆเขาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีประไพเองก็เคยเชื่อถือพี่อั้นมาแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ภัยเป็นอะไรไปจึงดูเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจพี่ภัยก็ไม่อยากจะสนใจเรื่องเหล่านี้ไม่อยากพูดจาอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะแต่ก็นั่นแหละประไพพูดยังไม่ทันจะจบนะคะ ก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรต่อไปแล้วก็นิ่งซะไม่พูดประภัยฟังแม่ก่อนธรรมดาคนเรามีลูกมีผัวเราก็ต้องเชื่อฟังต้องเอาใจเพราะถึงจะชั่วดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผัวของเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงสำคัญที่ผัวผิดพลาดลงไปก็มีแต่ทางเสียเปรียบแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามที เราก็จะต้องยับยั้งชั่งใจในเรื่องราวทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะโอนอ่อนตามไปสหมดลูกผัวจะพูดอะไรออกมาเราก็ต้องคิดดูให้ดีว่าถูกหรือผิดถ้าถูกก็ทำตามแต่ถ้าผิดก็ต้องตักเตือนกันได้แต่ก็อย่าให้ถึงขะเลาะวิวาดกันแต่นอกจากผัวแล้วประภัยยังมีแม่ยังมีพี่น้องคนอื่น สำหรับตัวแม่เองนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงจะอย่างไรก็ไม่มีวันทอดทิ้งลูกแต่พี่น้องที่คลานตามกันออกมาประภัยต้องคิดดูให้ดีๆถึงจะไม่ดีไปกว่าผัวซึ่งเปรียบเสมือนคนคนเดียวกันแต่ก็ยังต้องรักษาน้ําใจกันไว้บ้างประภัยจะพูดจะจาอะไรก็อย่าให้กระเทือนถึงพี่น้องเขาจะเสียใจแม่รักลูกทุกคนเท่าเทียมกันอยากจะให้กลมเกลียวกันอยู่เสมอ แม่จึงได้เตือนพลอยก็สอนยาวเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างผัวกับพี่น้องประไพถอนใจใหญ่ก้มหน้ามองกระดานอยู่นานแล้วก็บอกว่าไพก็กุมใจเหมือนกันคะ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกเรื่องพี่ออสก็ทีหนึ่งแล้วแต่พี่ออสก็ไม่เอาเรื่องเอาราวไพหวังดีต่อพี่ออสก็เลยเอะอะไปตามแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีกับพี่อ้นดูมีในในกันอยู่ ไพ่ก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกคุณเสวีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรมากเขาบอกแต่เพียงว่าไพ่ควรจะเหลียวแรงเงินทองของคุณแม่บ้างถ้าคุณแม่ถืออยู่เองก็ไม่เป็นไรแต่นี่พี่อ้านทำอยู่คนเดียวทั้งหมดหากคุณแม่เป็นอะไรไปไพ่ก็จะลําบากเสียเปรียบเขาเพราะว่าไม่รู้เรื่องราวมาก่อนนี่เองนะคะต้นต่อพอยรู้สึกเศร้าใจในคาพูดของประไพคะ่ะแล้วก็เห็นนิสัยลูกเคย นะคะคือเห็นเลยว่าลูกเขยเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็รู้สึกหนักใจแทนประภัยว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อต้องอยู่กับคนที่มีนิสัยแบบนี้เมื่อประภัยเห็นว่าพลอยนิ่งประภัยก็เลยพูดต่อไปถึงความอัดอั้นตันใจว่าความจริงคุณเสวีอะไรอะไรก็ดีหมดเสียแต่เป็นคนที่วุ่นวายเรื่องเงิ น, เ ง, นเงินทองทองจนเกินไปไผ่ก็ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้ เพราะพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่เคยสอนให้คิดเล็กคิดน้อยแต่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็มีแต่เถียงกันหยุมหยุมยิ้มยิ ม, ย ม, ยมเรื่องสตางมาตลอดเขาวางระเบียบเรื่องนี้ราวกับว่าประภัยเป็นเด็กๆต้องทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วภัยกลุ้มใจเหลือเกินพลอยก็เลยสอนบอกว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญประภัยเวลายังอยู่กับพ่อกับแม่ก็ภัยอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวนี้ประภัยมีเย่ามีเรือนเป็นของตัวเองแล้ว ประไพก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลให้ดีจะใช้จ่ายอย่างเพละอเอเหมือนแต่ก่อนนี่ยไม่ได้ที่คุณเสวีเขากวดขันนั้นมันก็ถูกภัยก็อยากจะดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่เคยปล่อยให้ภัยถือเงินเลยทุกอย่างในบ้านเขาจ่ายเองทั้งนั้นภพยอยากได้อะไรก็ต้องไปขอเหมือนเด็กๆแต่ก่อนก็ดีแล้วคะ่ะไม่ขัดใจแต่เดี๋ยวนี้ขออะไรเป็นต้องมีเรื่องเถียงกันทุกครั้งไป แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ประภัยจะต้องพูดจากับคุณเสวีเอาเองเพราะเป็นเรื่องระหว่างตัวระหว่างผัวเมียแม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้พลอยก็พูดกับประภัยไปตามหลักการนะคะแต่ในใจนั้นก็นึกสงสารลูกสาวอยู่ไม่น้อยเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่ประภัยมาสารภาพว่ามีความบาดหมางในชีวิตสมรสคือดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับไปด้วยกันได้ดีแต่จริงๆนั้นก็ ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เห็นแม่อยากจะเตือนอะไรภัยอย่างหนึง่งเพระภัยควรจะถือว่าตัวเป็นผู้ใหญ่มีเย้ามีเรือนแล้วจะทำอะไรก็อย่าถือเพียงอารมณ์โกรธง่ายหายเร็ววูวามอย่างแต่ก่อนจะมีเรื่องราวอะไรที่จะพูดกันระหว่างผัวเมียก็ควรจะพูดกันดีๆได้ไม่น่าจะต้องทะเลาะวิวาดกันคุณน่าไม่รู้ว่าคุณเสวีเนะี่ย กวนโมโหภัยแค่ไหนบางเวลาเขาก็พูดเป็นเจ้าทอยหมอความน่ากรุ่งใจจะตายปราะพายธรรมดาผัวเมียอยู่ด้วยกันถ้าจะให้ราบรื่นอยู่เย็นเป็นสุขก็ควรจะมีลูกด้วยกันเพราะเมื่อมีลูกแล้วต่างคนก็จะต่างเห็นแก่ลูกบางทีความรักลูกที่มีร่วมกันนั่นแหละจะทําให้กลมเกลียวกันได้มากกว่าเก่าเพราะพายฟังแล้วแทนที่จะเห็นด้วย กลับหัวเราะสส่หน้าอย่างแห้งแง้งก่อนจะบอกว่าอย่าเพิ่งเลยค่ะคุณแม่เวลานี้ที่ไพยยังสบายใจอยู่ก็เพราะไม่มีลูกจะผูกพันนี่ล่ะค่ะไม่ถูกกันจริงๆเมื่อไหร่ก็จะได้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีเด็กมาต้องพลอยลำบากไปด้วยพลอยฟังประไพพูดแล้วก็ตกใจมากเย่ประไพ นี่แกเอาอะไรมาพูดไม่เคยพบไม่เคยเห็นมีอย่างรึผัวเมียอยู่กินกันมาไม่ถูกกันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ถึงกับคิดจะเลิกร้างประภัยไปเอาความคิดนี้มาจากไหนแม่ไม่เคยสั่งเคยสอนอันนี้พลอยก็ตอบแบบตอบแบบแม่พลอยนะคะอืมแบบแม่พลอยซึ่งเป็นคนที้มองโลกแง่ดีก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงในอดีตซึ่ง ก็าอาจจะเป็นภรรยาในอุดมคติอะนะคะแล้วก็บังเอิญว่าพลอยเนี่ยก็ได้ผัวดีคือคุณเปรมพลอยก็เลยยังคงเชื่อมั่นอยู่ในความคิดนี้แต่ประภัยนั้นเกิดอีกยุคหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผัวดีเอเหมือนอย่างแม่คือคุณเปรมกับคุณเสวีนี่ก็ห่างกันเยอะทั้งทั้งที่คุณเพรมเนี่ยมีเชื้อสายคนจีนแต่ก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยนะคะแล้วก็ให้อิสระพลอยอย่างเต็มที่ประภัยก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็ดีแต่คิดอย่างแต่ก่อน คนแต่ก่อนนี่แต่งงานกันแล้วก็ทนอยู่กันไปได้จนตายผัวจะมีเมียน้อยสักกี่คนก็ทนได้ผัวจะดูถูกเหยียบย่าหรือว่าเอาเปรียบอย่างไรก็ต้องทนผู้หญิงแต่ก่อนถูกถือว่าเป็นของผู้ชายไม่มีชีวิตของตัวเองแต่ภายไม่ถืออย่างนั้นนะคะายเกิดมาชาติหนึ่งถึงจะเป็นผู้หญิงก็มีชีวิตของตัวเองแต่งงานแล้วก็อยากจะมีความสุขถ้าใครให้ความสุขแก่ไยได้ไยก็จะอยู่กับคนคนนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ รู้ว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขก็เลิกการเสียดีกว่าจะอยู่ทรมานน้ำใจกันไปทำไมคะพลอยฟังแล้วก็ตกใจมากนะคะโธประภัยคือพลอยที่ตกใจจริงๆพูดเสียงสัน่นด้วยความหมดหวังเพราะว่าความเห็นของประภัยนั้นเหมือนกับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งที่แยกจากความคิดเห็นของตนออกไปเป็นมุมฉาก ยิ่งต่อความยาวสาวความยืดก็เหมือนกับว่าลากเส้นตรงนั้นให้ยาวออกไปจุดปลายของเส้นตรงแต่ละเส้นก็ห่างกันไปทุกทีประภัยแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนแม่ก็รู้ตัวว่าแม่เป็นคนโบราณยอมรับว่าโง่ยอมรับว่าไม่ทันสมัยแต่ถึงจะสมัยใหม่หรือสมัยเก่าเราก็โัอกลูกผู้หญิงด้วยกันคงจะไม่ผิดกันไปนักหนา คนเราที่เกิดมากับเขาชาติหนึ่งก็ย่อมจะอยากได้ความสุขข้อนี้แม่ก็รู้เพราะแม่เองก็อยากได้แต่ข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะได้ความสุขนั้นมาอย่างไรความสุขชนิดไหนความสุขที่แม่รู้ว่าเป็นความสุขอย่างเลิศนั้นมันเกิดจากความปิติความอิ่มใจที่ทำอะไรให้กับคนที่เรารักถ้าเราได้ทำให้คนคนนั้นพอใจและมีความสุขถึงแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยสักบานใด เราก็จะได้รับความสุขนั้นด้วยอย่างมากมายประภัยเชื่อแม่เถอะความสุขแอนแท้จริงเกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดเพราะว่าความอยากได้หรือว่าหยิบเอาความสุขอย่างนั้นมันไม่มีอิ่มไม่มีพอสู้ความสุขอย่างที่แม่เลือกแล้วไม่ได้แม่อยู่กับคุณพ่อของประภัยมาตลอดชีวิตได้รับความสุขตลอดมา เพราะแม่รู้ว่าแม่ทำให้ท่านได้สุขกายสบายใจมีความทุกข์มาจากที่อื่นแม่ก็เข้าแบ่งเบารับเอามาเสียบ้างประภัยเห็นนึกว่าแม่ไม่เคยเบื่อหน่ายแม่ก็เคยเหมือนกันแต่แม่ก็อดทนมาจนเดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วว่าความสุขที่แม่ได้รับจากคุณพ่อของประภัยนั้นไม่มีอะไรมาเปรียบได้จนเดี๋ยวนี้แม้แต่นึกถึงแม่ก็ยังอิ่มใจ เพราะแม่ได้ให้แก่คนที่แม่รักและคนที่รักแม่ทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเอก็เห็นค่าว่ากันว่าคุณแม่ไม่ได้รับกับเจ้าคุณพ่อก่อนแต่งงานไม่ใช่หรอคะเขาไหนว่าพลอยถามอย่างตกใจไม่เคยนึกมาก่อนว่าลูกสาวจะรู้เรื่องคุณป้าอุ่นคุณพี่ก็ช่างไปเอาอะไรมาเล่าให้เด็กฟัง แม่ก็ไม่แน่ใจนักหรอกประภัยรู้แต่ว่าคุณพ่อเธอรักแม่มาแต่ก่อนก่อนที่จะแต่งงานอย่างแน่นอนเพราะเธอเที่ยวติดตามแม่ไปทุกแห่งแต่สำหรับตัวแม่เองแม่ก็บอกไม่ถูกบางทีแม่จะรักเธอโดยแม่ไม่รู้ตัวกระมังเพราะถ้าไม่รักที่ไหนแม่จะยอมเอออวยเจ้าคุณตาของประภัยท่านก็ไม่ได้บังคับกดขี่ ท่านถามแม่ว่าแม่จะตกลงไหมท่านถามแม่ก่อนพอแม่ตกลงท่านจึงได้รับมัน่นพรอยพูดเบาลงทุกทีภาพเก่าๆจากความหลังกำลังเลื่อนลอยกลับมาสู่สายตาภาพหน้าประตูสีสุดาวงตอนเช้าผู้คนที่กำลังเดินขวักไขวสายตาคู่หนึ่งจ้องดูพรอย แล้วก็ติดตามไปตลอดไม่ว่าพลอยจะเดินไปทางไหนภาพท้องทุ่งที่บางปะอินเด็กสาวสองคนกําลังพายเรืออยู่กลางทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกบัวผักตบสันตวาและกระจับภาพเรือขนมจีนที่มาจอดข้างๆกลิ่นขนมจีนน้ำพริกกลิ่นข้าวเมาทอดยังจำได้ยังไม่นานเลยคุณเปรมยังไม่นานเลย พลอยรู้สึกว่าตาทั้งสองข้างเริ่มฟ้าฝางเพราะไอ้น้ำตาเริ่มจะมาเคลือบคลุมแก้วตาทั้งสองแต่เดี๋ยวนี้แม่รู้ดีประไพแม่รู้ดีเหลือเกินว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวจนบนัดนี้แม่ยังไม่เคยรักใครเท่ากับคุณพ่อของประไพเลยลมเย็นๆโชยเข้ามาทางหน้าตา่างแล้วสายลมนั้น ก็ลูบไล้ไปตามแขนตามหลังของพลอยเหมือนกับว่ามีมือของใครที่เยือกเย็นด้วยความรักอันละเอียดอ่อนมาลูบหลังลูบแขนอยู่ไปมาด้วยความขอบใจด้วยความเห็นใจเสียงประไพพูดอะไรเบาๆพลอยต้องเรียกตัวเองกลับมาจากความหลังและเงี่ยหูฟังคำพูดของประไพประไพพูดว่าที่คุณแม่ว่ามานั้นก็ถูกคะ่ะถ้าเป็นคนที่เรารักกันจริงๆ เราก็พอจะทำให้ได้แต่ภัไยไม่แน่ใจเสร็จแล้วว่าภัยรักคุณเสวีเท่านั้นเองแล้วประไพก็ลุกไปปล่อยให้พลอยนั่งตกตะลึงอยู่แต่คนเดียว เชาวันหนึ่งตาอันบอกข่าวกับพลอยตอนกินอาหารเช้าด้วยสีหน้าอันคร่องเครียดข่าวนั้นคือข่าวสงครามที่เกิดในยุโรปจริงๆแล้วเรื่องนี้ตาอันเป็นคนที่เคยบอกพลอยมาก่อนแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าวันนี้ แต่อันบอกกับพลอยด้วยสีหน้าอันครื่องเครียดว่าคุณแม่เกิดสงครามอีกแล้วครับอ้าวใครลบกันอีกเหรออันสงครามคราวก่อนที่รบกันก็ดูเพิ่งเสร็จไปไม่นานเลยระหว่างเยอรมันฝ่ายหนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนคราวก่อนนั่นเองพลอยตอบแล้วก็ก้มหน้าตักอาหารใส่จานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่า คราวก่อนเยอรมันก็แพ้ไปหัหนึ่งแล้วคราวนี้ก็กลับมารบกันใหม่อันว่าใครจะชนะใจลูกว่าเยอรมันจะชนะสงครามคราวนี้แต่อันตอบอย่างไม่คิดนะคะคือไม่ต้องคิดเลยมั่นใจมากอันพูดเสียงเหมือนคุณพ่อไม่มีผิดสงครามคราวก่อนแม่จําได้ว่าแม่เคยถามคุณพ่อคุณพ่อก็ตอบเป็นเสียงเดียวกับที่อันพูดวันนี้ไม่มีผิดเลย เยอรมันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อครั้งสสิบปีมาแล้วแต่ก่อนนั้นถึงจะมีกำลังมากก็ไม่แข็งแรงอย่างทุกวันนี้และผมก็ไม่เชื่อว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะพร้อมที่จะทำสงครามแต่เมื่อจำเป็นจะต้องทำก็คงจะเสียเปรียบเยอรมันมากสงครามคราวนี้อาจไม่ยืดเยื้อเหมือนคราวก่อนก็ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง จะมีเรื่องเดืดอดร้อนข้าวของแพงอย่างคราวก่อนบ้างไหมอันรู้เรื่องรู้ราวดีบอกแม่ไว้บ้างแม่จะได้เตรียมตัวแต่อันบอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าสงครามจะเกี่ยวมาถึงเมืองไทยเพราะว่าเป็นเรื่องในยุโรปและถ้าสงครามเสร็จเร็วอย่างที่ผมนึกไว้เมืองไทยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ข้าวของที่มาจากนอกอาจจะแพงขึ้นบ้างก็ได้ อันพูดแล้วก็ก้มหน้ากินข้าวต่อไปเงียบๆพรอยได้แต่นั่งนิ่งๆเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถูกเมื่อสงครามยุโรปคราวก่อนพรอยก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากลาบ่นอะไรนักหนาแต่มานึกเสียวไส้เห็นภัยสงครามอยู่ตอนเมื่อเกิดเหตุทำให้ตา อ, อ้นเนี่ยต้องติดคุกติดตารางจนถูกปล่อยเกาะอยู่จนทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อรู้ว่าจะมีการรบรากันอีกพรอยก็ไม่สบายใจ เสีไดาชีวิตมนุษย์ที่จะต้องเสียไปแล้วก็สงสารคนเป็นอันมากที่จะต้องพากาันเดือดร้อนลำบากแต่อั้นกินข้าวอิ่มก็เตรียมตัวที่จะลุกจากโต๊ะไปทำงานพลอยคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งก็ร้องขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนอัน้นอย่าเพิ่งไปแม่ก็เพิ่งนึกออกดูสิเดี๋ยวนี้แม่ห ล, ลงหลงไหลายๆจนดูเป็นคนใจไม้ไส้ระกำเรื่องอะไรครับคุณแม่อ้าว ก็เมียของอันเขายังอยู่ที่เมืองนอกเกิดรบพุ่งกันอย่างนี้เขาจะมีลําบากมากหรืออันจะทํายังไงต่อไปลูกแต่อันซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ช้าๆแล้วก็พูดขึ้นโดยไม่ยอมศบตาพลอยว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองที่ไม่ได้บอกคุณแม่ก่อนความจริงลูซินกับผมอย่า ก, กันแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นห่วงเขาเวลานี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่า เราไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วโถ่อัน้นจะอย่าร้างกันทำไมไม่บอกแม่บ้างแล้วนี่หย่า ก, กันตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ไม่เห็นรู้เลยผมตกลงหย่า ก, กันหลังจากที่เขาไปเมืองนอกอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขก็เลยตกลงกันต่างคนต่างไปที่ผมไม่บอกคุณแม่ก็เพราะเห็นว่าจะทำให้ร้อนใจเปล่าๆในระหว่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องของผมแท้ๆผมคิดไว้ว่า นานๆเสียก่อนจิงจะบอกก็เลยบอกเสียวันนี้แล้วประภัยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าพลอยถามอย่างสงสัยแต่อันก็ตอบว่าประภัยรู้เรื่องดีมาตลอดครับมีหน้าล่ะพลอยพูดขึ้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปทําไมเหรอคุณแม่เปล่าไม่มีอะไรหรอกอันแม่พูดไปอย่างนั้นเองอย่าฟังเลยพลอยรีบพูดกรบเกลื่อนเพราะเห็นว่า เรื่องของประภัยนั้นยิ่งได้พูดกันน้อยเท่าไรก็ยิ่งจะดีขึ้นเท่านั้นแต่อันมองหน้าพลอยอย่างไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ปริปากไตาถามว่าอะไรอีกในที่สุดแต่อันก็ลุกไปทำงานตามปกตินะคะและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้ข่าวสงครามเสมอแต่ข่าวคราวนั้นดูจะเป็นไปตามที่ตะอันคาดคะเนไว้เพราะปรากฏว่าเยอรมันได้ชัยชนะหมดทุกแห่ง ประเทศเล็กน้อยในยุโรปที่ขวางทางเดินของเยอรมันนั้นเยอรมันก็เข้ายึดได้สิน้นและประเทศฝรั่งเศสเองก็ตกเป็นของเยอรมันภายในเวลาไม่กี่วันดังนั้นพลอยก็อดที่จะนึกไม่ได้ว่าบางทีตาอันซึ่งเป็นคนสมัยใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สันทัดต่อเหตุการณ์โลกมากกว่าคุณเปรมอาจจะรู้เรื่องราวต่างๆมากกว่าคุณเปรมและทานายการล่วงหน้าได้ดีกว่าคุณเปรม สำหรับเมืองไทยนั้นสงครามคราวนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะห่างไกลไปกว่าสงครามสมัยก่อนความสนใจทั่วไปก็ดูจะมีน้อยแม้แต่พ่อเพิ่มซึ่งชอบและก็สนใจในเรื่องเหล่านี้ก็ดูจะไม่มีความเห็นมาให้อักถาที่บายได้มากมายนะักแต่ที่สุดพลอยก็เริ่มจะรู้ตัวว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้แคบลงมาก แคบลงมากกว่าเมื่อ20ปีหรือว่า30ปีมาแล้วเป็นหนักหนาเพราะเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งในโลกนั้นยังจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงที่อื่นๆในโลกนี้ด้วยโดยที่ระยะทางและความห่างไกลไม่เข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางเหมือนเมื่อก่อนพรอยรู้สึกถึงความจริงในข้อนี้เมื่อตอนมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศสกันอย่างขนานใหญ่ทั้งในกรุงเทพ และในจังหวัดอื่นๆทั่วพระราชอาณาจักรความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของพลอยแต่พลอยก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ความแต่เท่าที่ได้ทราบจากปากคำบอกเล่าของผู้อื่นถึงเรื่องการกระทำอันอุกอาจต่างๆของฝรั่งเศสซึ่งทำให้เมืองไทยต้องเสียดินแดนไปมากแต่ถึงพลอยจะรู้สึกว่าตนนั้นใกล้ชิดต่อเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อน ยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวในระยะหลังนั้นก็ตามพรอยก็ยังไม่สามารถที่จะให้ความสนใจหรือตื่นเต้นในการเรียกร้องยินแดนคืนนั้นได้เท่ากับคนรุ่นหลังสำหรับคนอื่นๆในบ้านไม่มีปัญหาความเจ็บช้ำน้ำใจซึ่งควรจะสุมอยู่ในหัวอกของคนรุ่นเดียวกับพรอยหรือก่อนนั้นอีกรุ่นหนึ่งนั้นดูเหมือนจะกลับมาปะทุออกจากใจของคนรุ่นที่เกิดมาทีหลังอย่างน่าประหลาดใจ พลอยได้แต่นั่งดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างใจลอยเหมือนกับที่นั่งดูการแสดงละครอยู่ห่างๆไม่รู้สึกว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนับตั้งแต่มีการเดินขบวนเรียกร้องดินแดนไปจนถึงบทความต่างๆทางหนังสือพิมพ์และทางวิทยุกระจายเสียงซึ่งดูจะรุนแรงขึ้นทุกทีอย่างที่พลอยนึกไปไม่ถึงและในที่สุดก็ปรากฏว่ามีกรณีพิพาทอินโดจีน ซึ่งต้องส่งทหารไปรบพุ่งวินิจฉัยปัญหานั้นกันด้วยกำลังระหว่างนั้นตาออดเขียนจดหมายมาจากปากใต้มีความว่าหมู่นี้ทางจังหวัดที่ออดทำงานอยู่เขาดูจะเดินขบวนเรียกร้องดินแดนคืนกันเสียจริงๆฟังข่าวทั้งกรุงเทพก็ว่ามีอยู่มากใครเขาชวนแม่ไปเดินขบวนบ้างหรือเปล่าลูกเห็นว่าแม่นั่งรักชาติอยู่ที่บ้าน จะดีกว่าไปเที่ยวเดินขบวนกับเ้าด้วยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมาจะลําบากเปล่าๆความจริงลูกก็เห็นใจพวกที่เขาเดินขบวนอยู่มากแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าถ้าในที่สุดเกิดรบกันขึ้นจริงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสพวกที่เดินขบวนนี้จะได้ไปรบสักกี่คนคนที่จะไปก็คงจะเป็นทหารทั้งนั้นซึ่งไม่ได้มาเดินขบวนเรียกร้องอะไรกับเขาสักหน่อยคิดคิดดูแล้วก็แปลก มีเรื่องอย่างนี้เมื่อไหร่ลูกอดคิดถึงลุงเพิ่มไม่ได้เลยถ้าจะอยู่ใกล้ๆกันคงสนุกแต่ในความเป็นจริงนะคะพอเพิ่มกลับดูเนยกับเรื่องนี้จนพลอยรู้สึกแปลกใจวันหนึ่งอดอรนทนไม่ไหวก็เลยถามพ่อเพิ่มขึ้นว่าคุณหลวงเรื่องรบฝรั่งเศสอะไรนี่ ดูคุณหลวงเหนื่อยไปไม่เห็นมีเรื่องมาคุยกับฉันบ้างเลยคุณหลวงเป็นพวกฝรั่งเศสไปแล้วหรอพุโทโธแม่พลอยเอาอะไรมาว่าเมื่อร้อยสิบสองนั้นฉันก็โตรู้ความแล้วนะแม่พลอยซะอีกยังเล็กเกินไปไอเรืองจะรักฝรั่งเศสเป็นไม่มีเสียละฉันนะ่ะแต่คราวนี้ใจฉันมันยังไงยังไงก็ไม่รู้อา้าวเป็นยังไงไปเล่าคุณหลวง ฉันนึกไว้ทีแรกว่าคุณหลวงคงจะเห็นด้วยเห็นด้วยก็ใช่หรอกแม่พร้อยแต่อีกใจหนึ่งมันให้คิดว่าถึงได้คืนมาก็คงจะไม่ยืดสงครามยุโรปก็ยังไม่เสร็จถึงฝรั่งเศสจะแพ้ถึงเสียบ้านเสียเมืองพวกพ้องเขาก็คงจะมีอีกมากที่ไหนเขาจะทิ้งกันการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรฉันเดาไม่ถูกเลยได้แต่นั่งภาวนา ขออย่าให้ของที่ได้คืนมานั้นดึงเอาของเก่าออกไปอีกเท่านั้นละ่ะทำไมคุณหลวงไม่แน่ใจว่าใครจะชนะสงครามคราวนี้เหรอก็อย่างนั้นแหละเรื่องคนชนะฉันไม่แน่ใจแน่ใจอยู่แต่ว่าถ้ารบกันไปอย่างนี้อีกหน่อยก็จะต้องแพ้สงครามกันทุกฝ่ายเท่านั้นเองถึงเมืองไทยเราก็หนีเถอะฉันไม่สบายใจเลยทีเดียวก็เคารพกันอยู่ถึงไหนถึงไหน คุณหลวงจะไปเก็บเอามาร้อนใจทำไมก็ไม่รู้สิแต่การรบกันที่อินโดจีนคราวนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าความวุ่นวายมันใกล้ตัวเข้ามาแม่พลอยรู้ไหมเวลานี้ฉันไม่กลัวฝรั่งหรอกฉันกลัวแต่ญี่ปุ่นเท่านั้นไปกลัวเขาทำไมเล่าคุณหลวงก็ดูเขาชอบพอกับเราดีออกไม่เห็นเคยมาก้าวกา่อะไรนี่นาทึ่งอย่างนั้นก็เถอะ ถ้าญี่ปุ่นเกิดรบกับฝรั่งขึ้นมาฉันกลัวว่าเราจะต้องพลอยยุ่งไปด้วยพอเราจะกลายเป็นเมืองหน้าทัพทีเดียวแต่ฉันนึกไม่ถึงหรอกฉันเคยรู้จักญี่ปุ่นมาหลายคนดูเขาเรียบร้อยอย่างเราเราน่ารักออกหมอทาเคดาฉันก็ยังเคยรักษาคนใจดีๆอย่างนั้นจะไปรบกับใครได้ฉันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหมอทาเคดาเลยแม้พลอยก็ แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีคนญี่ปุ่นมาทามาหากินอยู่ในเมืองไทยบ้างแล้วนะคะแลวก็โดยบุคลิกภาพของคนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่อ่อนน้อมนะเป็นคนที่สุภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่พลอยเนี่ยจะคิดไม่ถึงอ้าวก็หมอแกเป็นคนญี่ปุ่นนี่คุณหลวงฉันละขี้เกียจคุยกับผู้หญิงเสีย จ, จริงทีเดียวเฮ้เคยรักษาหมอญี่ปุ่น ก็เลยนึกว่าญี่ปุ่นจะเหมือนอย่างนั้นไปนหมดพี่ลึกละและ เ, ะเพิ่มก็ชวนพลอยคุยได้เรื่องอื่นแล้วก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะในที่สุดเหตุการณ์ทางด้านอินโดนีีนก็ผ่านพ้นไปโดยญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาระ ง, งับกรณีพิพาทเริ่มการเจราจาอันเป็นผลให้ทางฝ่ายไทยได้รับดินแดนคืนมาบ้างเช่นทางพระตะบองเสมราชจำปาศัก์และก็ทางเหนือที่เรียกว่าจังหวัดลานช้าง การตกลงเลิกรบและได้ดินแดนคืนมานั้นทําให้ทุกคนถอนใจโล่งอกและก็ดูเหมือนจะพอใจถึงแม้ว่าพลอยจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยพลอยก็รู้สึกว่าพอใจไปด้วยทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดีอยู่พักนึงสงครามที่พลอยเคยรู้สึกว่ากระชั้นชิดเข้ามานั้นก็ดูจะห่างไกลออกไปอีกแต่ความสงบครั้งนี้ก็อยู่ได้ไม่ขีดเดือนในที่สุด ข่าวสงครามก็กลับมาใหม่อีกครั้งและคราวนี้กลับมาอย่างน่ากลัวถึงกับมีเสียงพูดกันอย่างหนาหูว่าไทยอาจจะถูกลุกบาลด้วยกองทัพต่างประเทศด้วยความสนใจแกมกลัวนะคะพลอยก็มั่นจะเปิดวิทยุฟังเสมอและรายการกระจายเสียงในขณะนั้นเกือบจะไม่มีอะไรนอกจากยืนยันว่าประเทศไทย เป็นกลางอย่างเคร่งครัดแต่การยืนยันความเป็นกลางนั้นบ่อยเข้าจนในที่สุดมีแทบจะทุกวันและประกาศออกมาด้วยเสียงอันเร่าร้อนเหมือนกับว่าผู้ที่ออกประกาศนั่นเองก็มีความหวาดกลัวอยู่ว่าเมืองไทยอาจจะถูกกองทัพของประเทศอื่นจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้และในที่สุดก็มีการอ่านกฎหมายป้องกันประเทศทางวิทยุอย่างยืดยาวกำหนดหน้าที่ของคนไทยว่าจะต้องต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างไร ถึงกับมีบทบัญญัติให้เผาบ้านเมืองทำลายเรือสวนไรนาซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เพิ่มความพร่นพรึงและหนักใจให้กับพลอยทั้งสิ้นจะหันหน้าปรับทุก์กับใครก็ไม่มีมีแต่ตาอั้นซึ่งก็มักจะไม่ยอมพูดเรื่องนี้แล้วก็มักจะระงับเรื่องด้วยถ้อยคำประมาณว่าคุณแม่ก็ชอบไปฟังวิทยุแล้วก็เก็บเอามาทุกร้อนไปเปล่าๆถ้าหากสงครามจะเกิดจริงเราก็คงจะไปห้ามมันไม่ได้ ระหว่างนี้เฉยๆผมว่าน่าจะดีกว่าอย่าไปเก็บออกมาเป็นอารมณ์เลยถึงเวลาถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเราค่อยคิดกันคุณแม่ก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวลูกๆ ก, ก็มีอยู่ตั้งหลายคนมีกำลังวางชาช่วยกันได้ทั้งนั้นคุณแม่จะต้องไปกลัวอะไรคำพูดของตาอัน้นทำให้พลอยคิดถึงตาออดทุกครั้งไปแต่ตาออดก็ส่งข่าวเข้ามาว่า จะเข้ามากรุงเทพไม่ได้คือหมายถึงช่วงเนี้ยยังมากรุงเทพไม่ได้นะคะเพราะว่าการงานเพิ่งจะเริ่มต้นกําลังมีธุระมากถ้าทิ้งงานมาทุกอย่างก็จะเสียการหมดส่วนพ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะปรงเหมือนกับปรงตกในเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็เดินหัวรอบกักกัเข้ามาแล้วก็ถามพลอยขึ้นก่อนว่าแมบบ่พลอย มีไอพิษเก็บไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่าแม่พลอยงงอะไรกันไอพิษคุณหลวงเอาอะไรมาพูดฉันจะไปเอาไอพิษที่ไหนมาเก็บไว้ในบ้านใครจะถึงขั้นเก็บไอพิษกันนะฉันไม่เคยพบเคยเห็นเอาฉันจะไปรู้เหรอก็เมื่อคืนฉันได้ยินวิทยุรัฐบาลเขาประกาศกันออกลั่นไปว่าถ้าใครมารุกรานเมืองไทยเขาจะใช้ไอพิษต่อสู้ แล้วเขาก็เลยบอกบุญมาด้วยว่าถ้าใครมีไอพิษเก็บเอาไว้ก็ให้เอาไปให้แก่ทางการฉันฟังแล้วก็ช่างถูกใจเสียจริงๆแต่ฉันเองนะ่ะไม่มีไอพิษเก็บเอาไว้ไม่ทันก็เลยถามแม่พ้อยดูเผื่อจะเก็บเอาไว้บ้างพุทโทรคุณหลวงนี่ช่างไม่มีทุกข์มีร้อนเสียบ้างเลยทีเดียวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้คุณหลวงไม่บิตกบ้างหรือ ถึงจะวิตกไปก็เท่านั้นแหละแม่พลอยเอ้ยถ้าฉันวิตกไปมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้ถึงคราวมันจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปเราจะไปร่างไปเหนียวอะไรได้ความจริงสงครามมันก็น่ากลัวอยู่ยิ่งสงครามสมัยนี้ยิ่งรุนแรงกว่าแต่ก่อนแต่ก็นั่งแหละนะเอเรามันก็แก่แล้วแม่พลอยอะไรอะไรก็ได้เห็นมาหมดแล้วทั้งทุกทั้งสุข ถึงไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าอยู่ดีจะช้าเร็วกว่ากันก็คงไม่เท่าไหร่นะักจะไปกลัวอะไรคุณหลวงพูดก็จริงแต่ฉันอดเสียวไส้ไม่ได้มันให้หวาดหวันไปหมดจนไม่รู้จะคิดอะไรถูกนี้ถ้าหากตึงตังกันขึ้นมาจริงๆฉันจะทํายังไงคุณหลวงอย่าทิ้งฉันก็แล้วกันเพราะเพิ่มยิ้มมองดูพรอยอย่างปราณีก่อนจะบอกว่า ฉันก็มีน้องสาวกับเขาอยู่คนเดียวถ้าเอะอะขึ้นมาแล้วฉันทิ้งแม่พลอยฉันก็ไม่ใช่คนเท่านั้นเองและ เ, ะเพิ่มก็ได้พิสูจน์ตนให้พลอยได้เห็นในภายหลังว่าเป็นคนจริงตามคำพูดปีนั้นทั้งตะอัานและคุณเสวีเป็นกรรมการในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดเป็นการโหโหราเหมือนกันทุกปีพรอยจำได้ว่าในคืนวันที่7ธันวาคมเป็นคืนลองไฟนะคะในงานรัฐธรรมนูญทั้งตา อ, อั้นประภัยและคุณเสวีต่างก็นัดกันว่าจะไปดูงานแล้วก็ชวนพรอยไปด้วยเพราะว่าเป็นคืนคล้ายๆกับเป็นคืนสอมันนะคะไม่ต้องเบียดคนมากแต่พรอยก็ปฏิเสธ รู้สึกว่าไม่มีแก่ใจที่จะไปเที่ยวเตรในยามนี้เมื่อลูกๆไปแล้วพลอยก็เข้านอนแต่หัวค่ำคืนนั้นพลอยรู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับจะมีสังหอนในใจนอนฟังเสียงรถที่แล่นไปมานอกถนนอยู่นานจนเสียงต่างๆค่อยซาลงไปพลอยเกือบจะเคลิ้มหลับก็มีเสียงดังกุกกักอยู่ในห้องนะคะเด็กผู้หญิงที่พลอยใช้เป็นประจำตัว ก็เข้ามาบอกใกล้ๆที่นอนว่าคุณหญิงเจ้าคะคุณหลวงท่านมาคลอยอยู่ข้างนอกบอกว่ามีธุระร้อนมากพลอยรีบลุกขึ้นนั่งเปิดไฟที่หัวนอนแล้วก็เห็นนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มตรงซึ่งก็ถือว่าดึกพ่อเพิ่มจะมาทําอะไรตอนนี้นะคะต้องเป็นเรื่องธุระที่เป็นธุระร้อนแน่ๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อเพิ่มคงไม่มาดึกๆ ด, ดื่นๆขนาดนี้พลอยก็ รีบลุกเดินออกมาข้างนอกด้วยความไม่สบายใจพอมาถึงพอเพิ่มก็นั่งตีสีหน้าไม่สบายอยู่ที่ห้องข้างนอกห้องนั้นมีแสงสว่างสลัวเพราะว่าเปิดไฟฟ้าดวงเล็กที่ริมฝาเอาไว้ดวงเดียวพลอยเดินเข้าไปใกล้ตัวพ่อเพิ่มแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่ซ่อนความตื่นเต้นว่ามีเรื่องอะไรกันคุณหลวง ถาจะเกิดเรื่องใหญ่เสร็จแล้วละแม่พร้อยญี่ปุ่นตามห้างร้านในนี้มันลุกขึ้นแต่งทหารกันเต็มไปหมดไอ้คุณหลวงไปที่กินใครเขาหลอกให้กระมังญี่ปุ่นในนี้ไม่ใช่ทหารจะไปแต่งทหารได้อย่างไรเอา้าจริงๆนะแม่พร้อยฉันเห็นมาด้วยตาทีเดียวเขาแต่งทหารเดินกันเต็มซอยซับไปหมดแล้วแล้วคุณหลวงไปทําอะไรอยู่ที่ซอยซับกลางค่ากลางคืน เอาวถธนา่าอย่าซักให้มันนอกเรื่องไปเลยพอฉันเห็นผิดสังเกตฉันก็แล่นไปหานายตำรวจที่เขาเป็นเพื่อนฝูงแต่ก็ไม่เจอใครไปรู้จักเด็กๆว่าถ้าจะเกิดเรื่องใหญ่เพราะว่าญี่ปุ่นกำลังจะเข้าเมืองหรืออะไรอย่างนั้นละพอยกมือรูปอกแล้วก็เลยเอามือกดไว้ที่ตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงเต็มทีตายจริงตายจริงจริงเลยที่คุณหลวง แล้วเราจะทํำยังไงดีเราจะหนีไปไหนดีแล้วนี่ลูกเต้าจะไปไหนหมดก็ไม่รู้คาเวรแท้ๆทีเดียวเ บ, า, บาไว้ก่อนไม่ปลอยทําตัวเป็นคนตูมตามไปได้ใจเย็นๆไว้ก่อนแล้วกันคุณหลวงคุณหลวงบอกฉันเองว่ากําลังจะเกิดศึกเหนือเสือใต้แล้วกลับมาบอกไม่ใช่ฉันตื่นมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นรอกยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลา จะพูดจาคิดอ่านตระเตรียมอะไรทันเวลานี้ก็ดึกแล้วแม่พลอยจะนอนเสียก่อนก็ยังได้ฉันยังไม่กลับร็อกจะอยู่เป็นเพื่อนโธ่ฉันจะมีแก่ใจไปหลับนอนได้อย่างไรว่าแต่คุณหลวงเธอมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ห่วงทางบ้านบ้างเหรอไม่เป็นไรล็อกเรื่องนั้นนะ่ะญาติโยมเขามีถมไปถึงฉันจะอยู่ไม่อยู่ก็เท่ากันป่านนี้ก็นอนหลับกันอุตุไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องร็อก แม่พลอยอยู่บ้านคณเดียวฉั้นจะอยู่เป็นเพื่อนก่อนพอยนึกขอบใจพ่อเพิ่มเป็นที่สุดแต่ขณะนั้นก็ไม่มีใจคอจะพูดว่ากไรได้ถูกได้แต่ลงนั่งใกล้ๆพ่อเพิ่มแล้วก็อยู่เงียบๆไม่ได้พูดจาว่ากไรหิดหมากขึ้นใส่ปากเคี้ยวแก้กรุ่มส่วนพ่อเพิ่มก็นั่งสูบบุหรี่กระแอมกระไอไปตามเรื่อง ถ้าเป็นสมัยนี้พลอยก็คงรีบไปเปิดสมาร์ทโฟนหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะคะเพื่อที่จะเช็คข่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็น่าจะรู้ผลได้ยอย่างรวดเร็วทันใจนะตอนนั้นเป็นเวลาดึกกันนะคะเพราะว่าห้าทุ่มเสรเศษมีเสียงรถยนต์วิ่งไกลๆห ล, ลายหนด้วยความเร็วสูงมีเสียงไก่ขันยามดังขึ้นเป็นระยะๆในที่สุดก็มีเสียงรถแล่นเข้ามาในบ้าน พลอยก็รีบลุกขึ้นไปชะโงกหน้าต่างดูเห็นประภัยลงมาจากรถแต่คนเดียวพลอยก็ร้องเรียกเบาๆจากบนตึกประภัยแหงหน้ามาดูแล้วก็เดินขึ้นบันไดเข้ามาหาในห้องปรากฏว่าประภัยมาคนเดียวพี่อั้นกับคุณเสวีไปไหนประภัยทำไมไม่กลับมาด้วยกันพลอยรีบถามขึ้นก่อนมีคนเขามาตาม ไปจัดงานรัฐธรรมนูญพร้อมกันทั้งสองคนคะ่ะบอกว่ามีราชการด่วนให้ไปเดี๋ยวนั้นภัยก็เลยกลับมาก่อนนี่คุณแม่รู้เรื่องแล้วหรือยังคะรู้แล้วลูกคุณลุงมาบอกเรื่องนี้เราจะทํายังไงกันดีคุณเสวีเขาสั่งให้ภัยมาบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องตกใจญี่ปุ่นเข้ามาฐานมิตรเขาคงไม่มาทําอะไรเราหรอกคะ่ะประไพพูดต่อคุณเสวี แล้วคุณเสวีจะไปรู้ใจเขาได้อย่างไรลูกพรอยถามอย่างสงสัยก็เห็นเขามีเพื่อนเป็นญี่ปุ่นอยู่มากเขาคงรู้กระมังคะประไพพูดแล้วก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวเพราะว่าตอนนั้นก็ดึกมากแล้วนะครบระหว่างนี้ก็คงไม่มีอะไรไัยง่วงเหลือเกินจะขอไปนอนก่อนถ้าคุณแม่มีอะไรให้เด็กไปปลูกก็แล้วกันนะคะแล้วประไพก็เดินจากห้องลงบันได กลับไปเรือนของตนเสียงพ่อเพิ่มหัวเราะเบาๆแม่พร้อยควรจะเอาอย่างลูกสาวก็บ้างระหว่างนี้ไม่มีอะไรก็เข่าไปนอนซะบ้างฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ได้คอทั้งสันหลังเหล็กเหมือนคนสมัยนี้ถึงจะนอนก็คงไม่หลับอยู่นั่นเองพรอยก็เลย น, นั่งอยู่สองคนกับพ่อเพิ่มจนรุ่งสว่างนะคะและแม้แต่หลังอาหารเช้าแล้ว ตาอั้นกับคุณเสวีเนี่ยก็ยังไม่กลับทาให้พลอยยิ่งเพิ่มความกระวนกระวายใจยิ่งขึ้นในที่สุดค่ะตาอั้นเป็นคนกลับมาถึงบ้านก่อนในตอนสายตาอั้นอดนอนเพียงคืนเดียวแต่วันนั้นพลอยเห็นตาอั้นตาลึกกรวงหน้าตาซูบซีดเหมือนกับคนที่อดนอนมาหลายคืน ตาอันเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ซุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้อย่างอ่อนใจคุณแม่เราเสียเมืองให้ญี่ปุ่นเสียแล้วพูดได้เท่านั้นตาอันก็ร้องไห้เหมือนกับเด็กๆปาดเดียวพอเพิ่มก็ถึงตัวตาอันทันทีพอเพิ่มเอาแขนโอบไหละตาอันไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรพออันทำใจดีๆไว้ เวลาข้างหน้ายังมีอีกมากไม่เป็นไรค่อยพูดค่อยจา ก, กันก่อนเรื่องมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงนับเป็นเวลานา น, านร่วมสิบปีมาแล้วนะคะที่พ่อเพิ่มไม่เคยแสดงความสนิทสนมหรือแสดงความเมตตาปรานีต่อตาอั้นเท่าที่พลอยได้เห็นในวันนี้ภาพที่ได้เห็นจิงเป็นภาพที่จับใจพลอย ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ได้เห็นในยามคับขันก็ยังคงเป็นภาพประทับใจที่พรอยจะลืมเสียได้ยากแต่อันเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกในความเมตตาของลุงเพราะว่าเหลียวมาดูหน้าลุงแล้วก็ยิ้มน้อยๆทั้งน้ำตาด้วยความขอบใจแล้วแต่อันก็สงบลงเริ่มพูดต่อไปว่า ญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝรัง่งอังกฤษอเมริกาแล้วก็จะขอยกทัพผ่านเมืองไทยโดยยื่นคําขาดให้ตอบถ้าเราไม่ยอมก็จะเข้าตีเอาแล้วอย่างไงพอเพิ่มถามเราก็ต้องยอมเขาเพราะจะไปสู้อย่างไรไหวครับและไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนกี่คนเวลานี้ ทหารทางปักใต้ก็ยังสู้รบกับญี่ปุ่นอยู่ทางกรุงเทพบอกว่าเจราจาตกลงกันได้แล้วจะรู้หรือยังก็ไม่รู้กว่าจะรู้ก็คงจะตายลงไปมากที่ตกลงกันอะตกลงว่าอะไรเพราะอันรู้ไหมก็ตกลงให้ญี่ปุ่นเข้าเมืองได้แต่อันตอบสั้นๆถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราเป็นขี้ฆ่าญี่ปุ่นแล้วนะสิ พอเพิ่มพูดเหมือนกับปรารภกับตนเองพวกทูตก็บอกว่าไม่ใช่เขาว่าเรายังเป็นเอกราษแต่ว่าเราเป็นมิตรกับญี่ปุ่นแต่ผมเองผมก็คิดอย่างคุณลุงเหมือนกันแต่อันตอบแล้วก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อีก พ่อเพิ่มมองดูตาอั้นอย่างเลื่อมใสซึ่งพลอยสังเกตเห็นได้ทันทีเพราะว่าพ่อเพิ่มมีได้มองตาอั้นอย่างนี้มานานแล้วที่ผ่านมาพ่อเพิ่มมีแต่มองตาอั้นด้วยสายตาที่ระแวงสงสัยกินใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินจากปากคือเป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้เห็นว่าตาอั้นกับพ่อเพิ่มเนี่ย มีความคิดเห็นลงรอยคล้อยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากว่าตะอั้นเนี่ยเห็นด้วยกับพ่อเพิ่มเพราะว่าปกติแล้วตะอั้นกับพ่อเพิ่มนี่คิดเห็นไปคนละทางทีเดียวทำให้พลอยนึกขอบใจเทพพยดาฟ้าดินอยู่ครันๆว่าลูกกับพี่ชายเริ่มจะกลมเกลียวกันได้อีกทันใดนั้น พลอยก็คิดถึงตาออดขึ้นมา ท, ทันทีจากการที่ตาอั้นบอกว่าญี่ปุ่นกับไทยกำลังรบสู้กันอยู่ทางปักใต้และตอนนี้ตาออดก็อยู่ที่ปักใต้อัน้นไม่กี่อั้นว่าเขารบกันอยู่ที่ปากใต้ไม่ใช่เหรอผมก็ได้ข่าวว่าอย่างนั้นกว่าจะติดต่อให้เลิกกันได้ก็คงต้องกินเวลาเพราะเวลานี้ ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรๆก็คงจะชะ ง, งัดไปหมดตายจริงตายแล้วตาออดอยู่ที่ปักได้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ปู่โถเอ้ยแมบบพลอยนี่ก็ช่างเหลือเกินจริงๆเขาพูดกันเรื่องเสียบ้านเสียเมืองนี่กลับไพร่ไปห่วงเอาลูกเรากับว่าพ่อออดแกเป็นเด็กๆแกไม่เป็นไรหรอกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโทก็ลูกฉันทั้งคนนี่คุณหลวง แล้วก็ยังมีตาอ้อนอยู่ทางปักใต้อีกตอาอัดก็ช่างเถิดพอจะหนีซุกซ่อนไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดคุกติดแล้วแต่ตาอ้อนนั้นเขาจะล่ามโซ่ล่ามตรวนเอาไว้อย่างไรก็ไม่รู้ป่านนี้คงจะตายเสียแล้วกระมังพูดจบพลอยก็เริ่มร้องไห้ทันทีตาอันเข้ามาคุกเขาอยู่ข้างๆตัวเอามือพลอยไปกลุมไว้แล้วก็พูดเบาๆว่าคุณแม่ คุณแม่อย่าร้องไห้ผมขอสิทธิเถิดเดี๋ยร้องไห้ให้ผมเห็นในเวลานี้ออสกับพี่อ้นไม่เป็นไรหรอกครับผมรับรองเพราะว่าญี่ปุ่นรบกับทหารไทยอยู่ที่สงขลาแต่ออสไม่ได้อยู่ที่สงขลาไปทําเหมืองอยู่แถวแถวพังงาไกลกันต้องเป็นกองส่วนพี่อ้นก็อยู่เกาะอีกถึงฝั่งทะเลนึงญี่ปุ่นยังไปไม่ถึงแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วง ผลของตาอั้นทำให้พลอยค่อยคลายใจลงพอจะนั่งสงบเป็นปกติอยู่ได้ต่อไปตาอั้นกลับไปนั่งพูดกับพ่อเพิ่มเบาๆตอบคำถามที่พ่อเพิ่มตั้งอยู่เรื่อยๆลุงหลานมีหน้าตาเศร้าหมองความทุกข์ความอับยศความหมดหวังคับแค้นในใจทาให้พ่อเพิ่มและตาอั้น กลับหันหน้าเข้าหากันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เหมือนเมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วพลอยได้แต่นั่งอยู่เงียบๆเ ب, พราะเรื่องที่เกิดขึ้นดูจะมีทั้งขนาดและน้ำหนักที่ใหญ่โตเกินกว่าที่พลอยจะสามารถวินิจฉัยหรือว่าตัดสินอย่างไรได้พลอยนึกว่าต่อไปนี้ชีวิตของตนจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่พี่น้องหรือลูกเต้าที่เป็นผู้ชาย ถ้าพราจักนั้นก็สุดแล้วแต่บุญกรรมจะบรรดาลให้เป็นไปและขณะที่นั่งกันอยู่นั้นเองคุณเสวีลูกเขยของพลอยก็เดินเบาๆเข้ามาในห้องโดยไม่มีใครรู้ตัวตามแบบที่เคยทำอยู่เสมอพรอยเหลือบเห็นคุณเสวีก่อนคนอื่นและสังเกตได้ทันทีว่าหน้าตาของคุณเสวีนั้นช่างผิดไปจากตาอั้นเสียนี่กระไร เพราะคุณเสวีมีหน้าตาแจ่มใสเบิกบานมิได้มีร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยร่วงโรยจากการอดหลับอดนอนคืนยังรุ่งและมิได้มีริ้วรอยของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของตะอั้นเลยแม้แต่น้อย แต่อันเห็นหน้าคุณเสวีก็ถามขึ้นว่าเสวี i, มีข่าวเพิ่มเติมอะไรมาอีกบ้างคุณเสวีก็ตอบว่าไม่มีอะไรอีกเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นเขามาฐานมิตรไม่ทําอันตรายต่อไปนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยไม่มีศึกไม่มีสงครามบ้านเมืองก็ไม่เสียหายผู้คนไม่ต้องล้มตายและญี่ปุ่นเขาก็จะเห็นใจเราจะต้องช่วยเราอีกมาก เสียงพ่อเพิ่มซึ่งหลีกไปนั่งอยู่ห่างๆเมื่อคุณเสวีเดินเข้ามาในห้องกระแอมกระไอขึ้นมาเบาๆนะคะแล้วก็ขีดไม่ขีดไฟจุดบุหรี่สูบพ่นควันขโมงแต่อันมองดูหน้าคุณเสวีอย่างพิศวงและเหมือนเพิ่งได้รู้จักกันจริงๆครั้งนี้แต่อันพูดว่าเสวีถามจริงๆเถอะเราก็เพื่อนกันเสวีไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่นึกเสียใจ หรือว่าโมโหอะไรบ้างเลยเหรอกับคราวนี้ปรากฏว่าคุณเสวียิ้มอยากเบิกบานใจก็ไปเห็นมีอะไรจะต้องเดือดปรนหรือโมโหหรือว่าเสียใจว่ากันตามจริงการกลับดีใจซะอีกสงครามคราวนี้เป็นสงครามโลกการรู้อยู่แต่แรกว่าถึงอย่างไรก็จะต้องมาถึงตัวเราสักวันหนึ่งหีีกเลี่ยงยังไงก็คงจะไม่พน้น ข้อสำคัญจริงอยู่ที่เราจะเข้าข้างใครในสงครามคราวนี้ถ้าเข้าข้างฝ่ายถูกก็ดีไปแต่ถ้าเข้าข้างฝ่ายผิดก็จะเสียหายหมดทีเดียวคราวนี้ก็รู้กันแล้วว่าเราเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคงหมายความว่าเราเป็นฝ่ายเยอรมันด้วยการจรึงดีใจมากเพราะเราเป็นฝ่ายที่เขามีกำลังซึ่งกำลังจะชนะสงครามในที่สุดเสียงพ่อเพิ่มกระแอมเบาๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ พลอยรู้ดีว่าสิ่งที่มาติดคอพอเพิ่มทําให้ต้องกระแอมกระไอน่ยไม่ใช่วัตถุอื่นใดนอกจากความไม่ศรัทธาในคําพูดของคุณเสวีเสียงตาอัานพูดขึ้นอย่างไม่สบายใจว่ากันยังไม่เข้าใจว่าเสวีหมายความว่ายังไงกันรู้แต่ว่าญี่ปุ่นยกทับเข้ามาในเมืองไทยแต่ทําไมเสวี ถึงพูดเลยไปว่าเราเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนสงครามคราวนี้ถึงญี่ปุ่นจะยึดเมืองเราได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายญี่ปุ่นคุณเสวีตอบว่าถ้าเราปล่อยให้เขายึดเฉยๆโดยไม่เข้าเป็นพวกเขาก็เท่ากับว่าเรายอมเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเราจะต้องลำบากเพราะเขาจะเข้ามาโดยไม่มีความเกรงใจอะไรเลย แต่ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเขาก็จะต้องเกรงใจเราไม่มากก็ น, น้อยเรื่องนี้ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรอันก็ควรจะรู้ดีว่าเราสู้เขาไม่ได้แน่ถ้าขืนสู้ก็เท่ากับรอเรายอมทําลายทุกอย่างที่เรามีไม่มีวันจะสร้างสมขึ้นใหม่ได้เหมือนเก่าอีกต่อไปกรุงเทพจะราบเป็นหน้ากลองไปภายในวันเดียวผู้คนจะล้มตายมากสุดที่จะประมาณได้แล้วเขา ก็ยังจะเข้ามาได้อยู่นั่นเองแต่ไหนๆเขาเข้ามาแล้วเราจะทำเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีไม่ดีกว่าเหรอนี่คือความคิดของคุณเสวีนะคะพอเพิ่มอดไม่ได้ค่ะพอเสวีพอเส ว, วีพูดราวกับว่าไม่มีฝรั่งเหลืออีกแล้วในโลกนี้เมื่อญี่ปุ่นรบกับฝรั่งและเราเข้าข้างญี่ปุ่น ก็แปลว่าเราจะต้องรบกับฝรั่งด้วยพอเสวีว่าเราจะไปสู้เขาไหวหรือคุณเสวีหัวเราะคุณลุงถามอย่างนั้นก็ควรอยู่หรอกครับเพราะว่าคุณลุงเกิดมาในสมัยที่เราต้องกลัวฝรั่งจนแทบกระดิกตัวไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนั้นผ่านไปแล้วฝรั่งจะไม่มีเหลือในตะวันออกอีกต่อไปอีกหน่อยญี่ปุ่นก็จะไล่ไปหมดแล้วฝรั่งก็จะไม่กลับมาอีก คุณลุงอย่าวิตกเรื่องฝรั่งเลยครับฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวเหมือนฝรั่งเมื่อก่อนซะแล้วเวลานี้ญี่ปุ่นกำลังตีฟิลิปปินส์ของอเมริกันและกำลังเข้าโจมตีมาลายูของอังกฤษจากนั้นก็จะไปพมา่าและชวาเกาะบอร์เนียวและอินเดียเขาเข้าตีทุกด้านพร้อมกันหมดถ้าคุณลุงรู้จักน้ำใจทหารญี่ปุ่นแล้วคุณลุงก็จะต้องรู้ว่าฝรั่งไม่มีทางสู้ได้ผมว่าต่อไป ออสเตรเลียที่เป็นเมืองฝรั่งนั้นก็จะต้องตกเป็นของญี่ปุ่นสักวันหนึ่งคอยดูกันไปเถิดในเอเชียนี้ต่อไปก็จะมีแต่ญี่ปุ่นกับเราเท่านั้นที่จะเป็นชาตินําพอเราไหวตัวทันแล้วก็เข้ากับเขาเสียตั้งแต่แรกใครไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นเวลานี้ก็เท่ากับไม่รักชาติตาอัานเอามือตบโต๊ะอย่างแรงมากไปเสียแล้วนะเสวีกัน ร, รู้แล้วว่า เสวีเป็นพวกญี่ปุ่นแต่อย่ามาเที่ยวว่าคนอื่นเขาไม่รักชาติใครๆก็รักชาติด้วยกันทั้งนั้นแล้วคนที่เขารักชาติจริงๆเขาก็จะต้องว่าเสวีนั่นแหละเป็นคนขายชาติให้ญี่ปุ่นคุณเสวีเหลียวมามองตาอั้นแล้วก็ยิ้มเป็นการยิ้มด้วยใบหน้าแต่ในดวงตานั้นมีโทสะจริตและความอาฆาตลุกอยู่พรุนโพรง่งเหมือนกับเปลวไฟที่ร้อนแรงสายตาของคุณเสวี ทำให้พลอยขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแต่คุณเสวีก็ยังพูดกับตาอันด้วยน้ำเสียงที่เป็นปกติว่าอันเราก็เป็นเพื่อนฝูงกันมานานอย่ามาแตกกันเสียด้วยเรื่องเท่านี้เลยนะเป็นอันว่าอันกับเรามีความเห็นกันคนละอย่างแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องด่ากันเล่นง่ายๆเพราะความเห็นไม่ตรงกันอันคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่เราพูดไว้นั้นถูกหรือผิด พูดกันเวลานี้ก็ไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วคุณเสวีก็ยกมือขึ้นปิดปากหาวหันมายิ้มกับพลอยเมื่อคืนผมบดนอนทั้งคืนเพิ่งรู้ตัวบ้า ง, ง่วงต่อไปนี้ขออย่าให้คุณแม่ตกใจหรือเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นมีอะไรก็บอกผมได้เพราะผมมีเพื่อนฝูงเป็นญี่ปุ่นหลายคนพอจะพูดจาอาศัยไหววานกันได้เสมอ แล้วคุณเสวีก็เดินออกจากห้องกลับไปเรือนทิ้งพลอยสาอั้นและพ่อเพิ่มให้นั่งตกตะลึงมองดูหน้ากันตะอั้นมองตามคุณเสวีจนหายลับไปแล้วก็ถอนใจปรารภขึ้นเบาๆว่าคนเรานี่ก็แปลกยิ่งรู้จักกันนานเข้าก็ยิ่งดูเหมือนไม่รู้จักเลย และพอถึงที่สุดเข้าจริงๆก็เห็นว่าคบไม่ได้ทีเดียวพ่ออันอย่าไปยุ่งกับมันเลยคนพันนั้นพ่อเพิ่มพูดแล้วก็รีบลุกมานั่งใกล้ๆตาอันในสายตาของพ่อเพิ่มเต็มไปได้วยความเมตตาความปรารถนาดีและก็ความเห็นใจพลอยนึกอัศจรรย์ใจว่าแปลกแทๆ้ๆเหตุการณ์ของบ้านเมืองนั้น สามารถทำให้คนที่เคยรักกันต้องแหนงหน่ายกันไปและก็ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองทำให้คนที่เคยแหนงหน่ายระแวงสงสัยกันกลับมารักใคร่สนิทชิดชอบกันได้ใหม่ดูเหมือนว่าเหตุอื่นๆที่ผูกมัดน้าใจคนเช่นความเกี่ยวดองเป็นญาติดูจะไม่สําคัญเอาเสียเลย